เห็นคุณแป้นอยากจะถามคำถามวันนี้เหร อ, อเชิญเปิดไมโครโฟนถามได้เลยอ่าได้ยินไหมเจ้าคะ่ะได้ยินจ้ะสบายเชิญพูดได้เลย <c oughs> คือตอนที่ไปปฏิบัตินะคะพระอาจารย์คือไม่รู้ว่าแป้นเนี่ยเป็นคนที่ลมหายใจเบาหรือ ย, ยังไงคือตอนพอนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีจับลมคือ ใช้วิธีพุทโทจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยนิ่งอะคะ่ะก็จะใช้วิธีจับลมหายใจเข้าออกทน่นี้พอไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ง่วงรู้สึกตัวแต่ว่าพอพอแล้วมันก็เอ๊ะมันหายไปไหนก็ตกใจนิดนึงก็เลยหายใจแรงๆเพื่อที่จะให้ลมหายใจกลับมา mm hmm. พอมันกลับมาทนี้ ไปกัน ใ, ใหญ่เลยไม่มีสมาชิกบอกคือคือฟุ้งไปเลยอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเอ่อที่ที่ปั้นลมหายใจคือมันเหมือนก็มันจะหายไปเนี่ยเราปั้นไม่แน่คือไม่อยากจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจะรวมจะนิ่งแต่คิดว่ามันมันมันชามันเพลินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แน่ใจเลยแล้วพอพอตกจากตอนหลังก็เลยเอ่อ มันก็เลยมันจะเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากเลยค่ะที่ไปปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเอแต่ว่าเวลาที่เวลาเราเราจับลมหายใจเนี่ยจะจะไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นคือจะจะบอกตัวเองไหมว่าอย่าให้มันย้ายหายอย่าให้หา ย, ย, าหหายก็พยายามนั่งแล้วก็อ่านี่หายใจเข้านี่หายใจออกอยู่กับมันแต่พอสักสักสักน่าจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันเหมือนกับเราหามันไม่เจอก็เลยตกใจแล้วก็เลยหายใจแรงๆขึ้นมาทานีนี้มันก็เลย เหมือนกับฟุ้งเลยจะทำเอย่าอย่าไปหาลมหายใจจิตเป็นละเอียดลมหายใจมันจะเบามันจะจับไม่ได้ให้มีสติรู้เฉยๆรู้ตอนนี้ไม่มีลมไม่ต้องไปทําอะไรแล้วให้รู้คือไม่มีลมก็เคยไ ม, ม, ม, ม, ม่มีลมแล้วเป้นกลัวว่าถ้าไม่มีลมตัวเองจะไปคิดอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหมายถึงว่าจะฟุ้งนะคะก็คอยดูไงถ้ามันคิดจะใช้สติอยู่ ดึงกลับมาอย่างนี้หะอดึงกลับมาให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่ต้องทำอะไรรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมก็อยู่กับสภาพที่ไม่มีลมไปเพราะคือตอนแรกเนี่ยพอไม่มีลมเนี่ยใช้วิธีว่าดูการกระเพื่อมของหน้าอกก็ตอนหลังมันก็ ม, นกมันก็จะหาไม่เจอการกระเพื่อมของหน้าอกก็ไม่ต้องไปหาลมไม่ต้องหาลมลมหายก็ให้รู้ว่ามันหายแล้วก็อยู่ที่เดิมให้รู้เฉยๆไป มันดูดูโทรทัศน์แล้ววีดีจอมันก็ภาพหายไปหมดก็ดูจอเปล่าไปเดี๋ยวคราวหน้าต้องลองดูว่า<ด>เออ ด, <ะ>ดูความว่างไปดูความว่างไปอ๋อดูความว่างเลยใช่ไหมว่า อ, อันนี้ว่างว่างแล้วก็แล้วอาจจ ะ, ะลองพยายามถ้าไม่นั่นก็ บ, บริกรรมพูดโธไปอะไรอย่างนี้เลยต้องเลยถ้าไม่มีความคิดก็ไม่ต้อง ท, ทําำให้รู้เฉยถ้าไม่มีความคิดก็หยุดมันถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ อาต้องต้องใช้พูดโทรอยู่มันต่อไปคแต่ว่าถ้าเวลาบริการพูดโธรเนี่ยเมื่อก่อนเวลาที่แป้นผูกเข้าพุดออกโทรเนี่ยมันจะแบบแน่นหน้าอกมันจะไม่ไหวอค่ะก็เลยไม่กล้าใช้วิธีนั้นอีกนั่นคือแ<ต>บบไม่ถูกมันไ ม, ไ ม, ไม่มันไม่ถูกกับเราใช้ดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือพูดโท ร, รอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องมันไม่ต้องสนใจว่าจะเข้าออกยังไงก็คือว่าเป็นพุดโทรอย่างเดียวแต่พูดโทรอย่างเดียวก็ได้ หรือลมอย่างเดียวก็ได้แล้วค่ะการมไม่มีก็ดูความว่างไปรูว้ว่าใจคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็สั่งให้มันหยุดคิดบอกไม่ต้องคิดให้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยคื อ, คอ<น>รู้ตัวแต่พยายามรู้ตัวเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะง่วงโงกแล้วหลับไปเลยเพราะว่าเคยเหมือนกันนั่งสมาธิแล้วสลับไปเลยมั น, ม, ม, นมีสติมันไม่หลับอถ้ารู้ตัวอยู่อันนี้ไม่หลับค่ะไม่หลับแต่รู้ว่ามันตกใจมันหายไปไหน อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งหาลมไม่ต้องไปถามว่ามันอยู่ที่ไหนหายไปก็รู้ว่มันหายไปจังค่ะเพราะนั้นให้ลู้เฉยๆค่ะนะลองดูนะคุณพาสนาเชิญธมัมสการสภานต่ะเป็นยังไงยอ ที่ที่แล้วก็ไปไปหาอาจารย์นะคะแล้วก็ถือสินแฝงก็คือโอเคก็คือรายงานผลหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสงบขึ้นคือพอเราถือสินแฝใช่ไหมคะแล้วก็นั่งปุ่บจับเช้า ว, วันเย็นเนี้ยตอนนีก้ก็กาแฟอะไรพวกนี้ก็เลิกได้หมดเลยนะพ่อาจารย์แล้วก็ทีวีเลยก็ไม่ได้ดูอยู่แล้ว ก็เริ <Kell ee anthropology> <there> yeah. <book> ่มดูเร e. <ichi> ื่องข่าวด้วยแล้วก็ช้อปปิ้งก็ไม่ได้ช้อปปิ้งก็คือตอนช่วงนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับสมาธิมันก็จะมาพยายามฝึกสติกับสมาธิเพราะว่าอยากจะได้เป็นอัปนาสมาธิเราตัวเองฝึกไปเนี่ยค่ะก็ก็จะรู้สึกว่ามันก็คือจะมีไม่ได้ไม่ได้บังคับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกแต่ว่าพยายามจะให้ให้ คือนาฬิกาตั้งเอาไว้แล้วก็พอตีเดี๋ยตื่นมาตีห้าทุกวันนี่มันตื่นมาเองคือตีห้าก็เริ่มนั่งแล้วก็จะพยายามให้นั่งชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วก็ความรู้สึกของขาเนี่ยมันจะมันจะไม่มันคือมันเคยผ่านช่วงเจ็บไปแต่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงช้าหมายถึงว่าไม่รู้สึกแล้วแต่ว่าพอออสมากสมามันช้า้าเออนั่งได้นานขึ้นแต่ก็อาจจะมีบางวันนะคะอาจารย์ที่ที่มีเจ็บแต่ก็มันก็จะพยายามไม่ไม่ไม่ไม่เปลี่ยน ก็รู้สึกว่านั่งได้นานขึ้นแล้วตอนบ่ายเนี่ยก็พยายามที่จะฟังพระอาจารย์ถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้อยู่อยู่ที่บ้านเราออกไปข้าง น, นอกอะ่ะก็พยายามหาที่สงบแล้วก็ฟังแต่อาจจะไม่สมาธิอจาจจะไม่เท่ากับที่ฟังที่บ้านแล้วตอนเย็นก็ทําได้มากขึ้นสมัยก่อนได้แค่สิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็อาจจะมีจินนามิธะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วไม่มีจินนามิธาและพระอาจารย์ก็ดีขึ้นคือถ้าทางทางลูกเนี่ยก็สงบขึ้น อ, อารมณ์สงบขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อย<ม>กระเพื่มกับอะไรเท่านั้นนะคะ เวลาไม่ได้นังก็ต้องคอยมีสติควบคุมใจไว้ค่ะค่ะก็ก็ทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆตัดอะไรทั้งหมดไปให้ได้หมดค่ะก็จะพยายามตัวนาการปฏิบัติอย่างเดียวใช่จะพยายามงานเลี้ยงปกเลี้ยงทองสองอย่างงานเลี้ยงปากเลี้งทองยังตัดไม่ได้ครับงานนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลค่ะพอาจารย์เพราะว่างานเนี้ยตัวเองไม่ คือไม่ได้ทํางานประจําแล้วมีปัญหาเพราะว่าเพอนินโชคดีอาจจะผ่าตาัดตาเ ป, เป็นหมอฟันนะคว่าจา่ายแล้วผ่าตาัดตาก็เลยไม่ได้ทํางานตรงนั้นแล้วก็ทํากิจการตัวเองตอนนี้พอเข้ามาฝึกตรงนี้ก็ปล่อยวางเพราะาเราก็เหมือนกับลูกโตแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนกันเงินอะไรก็เลยรู้สึกว่าตั้งใจอยากจะมาฝึกปฏิบัติคะเดียพยายามมาปฏิบัติอย่างเดียวดีที่สุดเลยโลกผลที่ได้เลิศที่สุด แล้ที่ฟังก็สัปยะพระอาจารย์ลูกคนก็ไม่เห็นขายาว่าเราบ้ากันเลยของเขาไม่เราไปฟังเขาเราฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็เราบ้าตามพระพุทธเจ้าเชื่อมันตัวเองเยอะอาจารย์ช้าถามมีคําถามคือสงสัยคือฟังพระอาจารย์มาเพิ่มเข้าใจนะคะเพราะว่าพอเราท่องสติประฐานสุมันก็จะแบบมันก็จะเข้าใจมากขึ้นพอฟังพระอาจารย์มาแล้วก็ชอบอ่านกันเทศที่อาจารย์เทศอ่ะแล้วก็จะกดอ่านเออสงสัยนิดนึงเรื่อง การรักษาญาติทิฏฐินี่หมายถึงว่าให้ปล่อยวางขันรูปขันแล้วก็น้ำขันใช่ไหมคะก็คือหมายถึงการรักษาญทิฏฐิก็รูปขันก็ร่างกาย่น้มขันก็เวทนาก็คือเวทนาของขยอยันยันเดียวตัอบบทุกขเวทนาตัวตัวที่เป็นปัญหาคือตัวทุกขเวทนาเวลาเจ็บเนี่ยเวลาร่างกายเจ็บเนี่ยใจมันทุกขต้องอย่าไปทุกขกับมันที่ทุกขเพรอยากให้มันหายอยากไม่ให้มันเจ็บนั้นต้องสอนใจว่าอย่าไปอยาก ปล่อยมันเจ็บไปเจ็บไปเจ็บเดี๋ยวมันก็หายเองมันเป็นอนิจจังอนาตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปมันหายก็ก็ดีไปหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใหม่เพราะมันเป็นอนิจจังใจสกขัดจิตอย่าไปลังเกียดอย่าไปกลัวความเจ็บอดอยู่กับความเจ็บให้ได้ท่านั้นเองคือปล่อยปล่อยปล่อยเวทนาปล่อยนามขัน ร่างกายก็ปล่อยเวลามันจะแก่ก็ปล่อยไม่ต้องไปต้องไปทําสัญญกรรมตกหน้าดึงหน้าอะไรไปทาําเผวทำผมอะไรปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปเถียว่าเป็นตัวเราของเราท่านเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นดินน้ําลมไฟมารวมตัวกันเราเพียงแต่เป็นดวงวิญญาณมาเกาะมันท่านเอง ต่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายและเพื่อเสเพพอใจมีความอยากเสพกลามเสพรูปเสียงกลิ่นรสปัญหามันเลยที่ต้องมาเกิดถ้าตัดความอยากเสพกลามได้ก็ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปฉะนั้นต้องพยงายามละความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ไม่กลัวความแก่รัาเจ็บความตายมจะ ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเป็นก็เป็นเดรู้ว่ามันต้องเป็นอยู่แล้วใจเด็ดเท่านั้นไหมความที่ยาก็เด็กสมควรนะพระอาจารย์เคยผ่าตัดเคยเข้าไอซยูด้วยพระอาจารย์ตอนนั้นก็พอเข้าไอซีก็รู้สึกว่าเออก็สวดมนต์แล้วก็ไม่คือคือก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรคือพนนี้ไม่ค่อยคิดเยอะอยู่แล้วไงพระอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยคิดเยอะแล้วไม่เป็นคนที่คิดน้อยอยู่แล้วคือแบบไม่ค่อยมีอะไรมาทําให้ เรากำลังใจฟันทั้งสูงอยู่แล้วพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่า<ม>แล้วพอได้ได้ทางของพระอาจารย์นะคะคือฝึกมาตั้งแต่เด็กเพาคุณแม่พ า, าเข้าวัดแนละ้วพระอาจารย์แล้วก็เรียนไป<ม>เราเรียนไปด้วยแล้วก็<ม>อาจจะไม่ได้มาทางเต็มที่เพราะว่าเราก็เรียนหนังสือเรียนมาหาวิเชียร์เลยแต่ว่าพอคุณแม่เสียไม่ได้เข้าวัดแต่พอมาเจอพระอาจารย์เน่ะมันเห็นทางว่าเออเริ่มจากตรงที่บอกว่าเป็นเมตตาทานศีล อ๋ตอนนังสมาธิเนี่ยตอนนั้นเนีไม่เข้าใจระหว่างสติกับสมาธิคือนั่งเองฝึกเองแต่พอพระอาจารย์มาพูดเนี่ยเราก็ใจเลยว่าอ๋อต้องฉุกสติให้มันเยอะเพราะฉะนั้นจะมันจะได้สมาธิแล้วสมัยก่อนดูเองกลัวอุปะอุบลัตสมาธิอะกลัวแบบกูแบบมันหลุดออกไปแล้วกลับเข้าล่างไม่ได้อะไรย่างเงี้ยแต่พอพระอาจารย์ว่าไม่จําเป็นให้เวทนตรเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจมากเลยพระอาจารย์ว่าเราทําอุปนันตให้ได้แล้วเราจะได้ใช้ปัญญา มีคำถามอีกนิดนึงนะคะพระอาจารย์คือถ้าสมมุติว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยพอเป็นชั่วโมงมันเหมือนเทนกล้ามเนื้อหรือเปล่าคะคือเพราะเรานั่งปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยครึ่งชั่วโมงมันก็เจ็บพอตอนนี้มันเป็นชั่วโมงหนึ่งมันมันมันผ่านจุดเจ็บแต่เคยฟังที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะมีแบบเจ็บแบบหนูแบบหมูแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแสงว่าเราต้องนั่งเพิ่มขึ้นจากชั่วโมงหนึ่งที่ไม่เจ็บต้องเพิ่มขึ้นให้มันได้เป็นชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะเออนางนานนานโดยเฉพาะนั่งให ให้ความเจ็บมันถอยไปเองไม่ อ, อยู่กับมันไป mm hmm. ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันมาปล่อยมันไปทำเรื่องของมัน mm hmm. ต่อไปเวลาเราเจ็บปวดทางร่างกายเราจะได้เออไม่ทรมานเกิดปวดท้องปวดฟันอย่างเงี้ยก็ อ, อยู่กับมันไปถ้ายังไปหาหมอไม่ได้ยังรักษาไม่ได้ก็ อ, อยู่กับมันไปไม่ต้องไปไวุ่นวายไม่ต้องหายยากแก้ปวดกินเยังก็ไปติดยาแก้ปวดอง ออืปล <idée> ่อยมันมาแล้วปล่อยมันไปอย่าไปกลัวความเจ็บอย่าไปกลัวความตายตายยังไงก็ต้องตายกลัวก็ทุกข์ไปกเปล่ายอมตายแล้วหายทุกข์ยอมเจ็บแล้วหายทุกข์อย่าไปยอมเจ็บไม่ยอมตายนีจยทุกข์นั่นแหละนี่คือขันห้าค่ะ ตอนนที่คือต้องทำปัญาให้ได้เท่านั้นเองต้องทาใจให้ได้ต้องฝ<ป>ึกอัปปน า, าให้ได้อัปปน า, าแล้วมันจะทําใจได้มันจะวางเฉยได้ไม่มีวุนวายค่ะถ้าไม่มีอัปปน า, ามันก็ยังจะดิน้นอยู่มันแค่รู้อ่าพยายามฝึกสมาธิให้วั่งมั่งใได้อัปปน า, ามาก ๆ, ม, านานๆมันนานๆมันนานให้ได้บ่อยๆให้ชํานาญเข้าอย่ากเข้าบุญนะครั ไม่ต้อไปพิจารณาเรื่องปัญญามากนักรู้แค่แก่เจ็บตายแค่นี้ก็พอแล้วที่เป็นตัวที่เรามาแก้เรื่องของทุกข์น่าเศร้าพรษษะศาสนาการที่จังทุกขงางอนาตตาของภายนอกกายก็อย่าไปึงใจมันเราไม่ต้องไปเพิ่มมันถ้าเรามีสมาธิเรามีควาสมสงบไม่ต้องไปเพิ่งของภายนอกไม่ต้องไปเพิ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ น ะ, นะอาจารย์นะก็ใช่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปอีกรอบหนึ่งค่ะพาคุณพ่อไปเด<ช>ือนนึ่จะไปสองครั้งพระ อ, อาจารย์แล้วก็จะเพิ่มย่างสมาธิเป็นเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแบบอยู่แล้ววันนั้นได้ก็คือทุกชั่วโมงถึงสติแล้วจะภาวนาห้านาทีทุกชั่วโมงที่อาจารย์บอกคือจะลองดูเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณมันจะทําให้เราจะได้ทําให้แบบเข้าสมาธิได้ไง่ายขึ้นเหมือนที่พระ อ, อาจารย์แ น, น, น, นะนำมาคือทุกชั่วโมงให้นั่งให้ภาวนาสักหนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ<า>ตอนนี้มันสามสามครั้งใช่ไหมตอนนี้จะเพิ่มมเป็นทุกโง เราดูนะสู้ไปถ้าไม่มีอะไรต้องทําภาวนาดีที่สุดปฏิบัติธรรมดีที่สุดอ๋อมีพระอาจารย์ก็ยังทํางานส่วนรวมนิดหน่อยค่ะเปงานส่วนรวมอาจารย์ยังต้องมีจะมองกับทาแบบเราจิตอาสาอเราช่วยงานส่วนรวมเป็นกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างานถาริงซีไม่ไม่จําเป็นแล้วทำเท่าที่จําเป็นนะอย่าไปดิ้นหางานทําดิ้นมีงานทำเท่าที่จําเป็นโอเคนะ ค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณค่ะค <au> <wiele> ุณสายที่เชิญคุณสายที่อยากมาหาสารธรรมใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเป็นอาจารย์คณะเภสั์ค่ะกาบนวัตสการพระอาจารย์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่ที่ีเข้ามาที่บอกพระอาจารย์ว่าเราค่อนข้างไม่ไม่ค่อยได้ตั้งสัจจะค่ะเพราะกลัวผิดสัจจะในเรื่องของการทำสมาธิ พระอาจารย์เลยบอกว่าให้ให้ตั้งจัดจ่ะแล้วก็ตั้งใจก็เลยงั้นเอาจริงค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่วันพุทธที่แล้วก็ทําตามที่ที่ตัวเองตั้งใจจริงๆค่ะแล้วก็พอนั่งสมาธิมันก็จะมีแต่ละวันมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะตัวเองคือถ้านั่งเนี่ยจะนั่งประมาณอาจจะสี่สิบถึงห้าสิบนาทีเหมือนมันจะถอยถอ ย, ถ อ, ยถอนออกมาเองค่ะแล้วพอตอนนั่งก็คือนั่งไปเนี่ยมันจะมี ถ้าช่วงแรกๆมันก็เหมือนจิตเราเพิ่งเงจะเข้าใหม่มันก็ยังไม่ได้สมาธิค่ะมันก็จะอาจจะมีคิดอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือมันจะวืดค่ะอารมณ์วืดแล้วมันก็จะสงบแล้วก็จะเห็นร่างเหมือนแบบใจเรากับมันจะเห็นเหมือนเห็นร่างกายทางร่างกายค่ะก็ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็พอนั่งไปของของของหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บปวดร่างกายค่ะก็จะนั่งไปธรรมดานั่งไปได้เรื่อยๆแล้วพอถึง เหมือนมันเคยชินว่าประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีค่ะมันก็จะออกมาเองแล้วเราก็เอาออกมาก็ก็ไม่ได้ทำต่อค่ะแลมีกี่วันนึ่งหนูนั่งไปแล้วมันได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้ว่เพิ่มลุกเริ่มใหม่พูดโธพูดโ ท, ดโทใหม่อตอไปอีกรอบใช่ไหมคะแล้วก็แล้วแต่มันว่าจะเข้าจะออกก็ลองพยายามทาต่อเนื่องมันออกมาแล้วก็ดันมันเข้าไปใหม่ ออกพูดหรือก็อออกก็ใช่ไหมงั้นก็ออกมาเลยออกเลยส่วนใหญ่จะดีใจจะได้ลุกไปทํานู่นทำนี่ออกไปออกแล้วออกมาก็ดันมึงกลับเข้าไปใหม่เอเล่าเสีวไปเลยไม่มีภาพไม่ไม่ต้องภาพยกไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปพอออกแล้วก็อออกแล้วออกแล้วเวลาสร้างตีออกมาปั๊บ UH, พูดโทพูดโทพูดโทใส่ไปเลย อ๋อลองไวเอ่อก็คือถ้าเราไม่ได้มีภารกิจไม่มีอะไรต้องทำก็นั่งตอบไปแต่นั่งเฉยๆไว้ได้ก็ค่ะก็คือถ้าสวดบนไปค่ะอืมค่ะแล้วก็มีหนึ่งอันนี้ไม่ได้เอาค่ะอืม มีเพิ่มไม่กี่วันเนี้ยค่ะนั่งแล้วมันมีเสียงเหมือนเสียงไรร้องแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจค่ะเราก็นั่งสมาธิต่อแต่ไม่แน่ใจว่าเสียค่ะหรือว่านเสียงเกิดเลื่ดับไปก็เลยช่างหัวมันอนัตตาเราไปทําอะไรมันไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอืมค่ะแล้วเสียเวลาแล้วก็มีวันหนึ่งช่วงทํางานค่ะ ช่วง<ช>พักกางวันไปทานข้าวเสร็จก็เลยเอออยากนั่งสมาธิมีตัวเอง ม, มีมีเสื่อพับค่ะแอบต้อนไว้ในห้องทํางานก็ปิดห้องแล้วก็ปูค่ะแล้วก็นั่งสมาธิได้เกือบชั่วโมงค่ะก็เลยรู้สึกมันมีพลังในการได้ทํางานต่อด้วยค่ะกลางวันเราก็คิดว่าเออถ้าเรามีช่วงระหว่างวันแล้วเราไม่ได้มีงานเร่งมากเรานั่งสมาธิสักหน่อยน่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยถือโอกาสทําตรงนั้นด้วยค่ะ เวลาไหนว่างแล้วก็บางวันท่านเหนื่อยกลางคืนเหนื่อยก็ห้านาทีอะอย่างน้อยค่ะรู้สึกว่าสนบแล้วก็ได้พลังในการทํางานพยายามค่ะบังคับตัวนี่ทำมากมากค่ะจับพยายามทําให้อย่ามันตึงตึงจำไมอะไรนะถ้าบังคับมันมากเกินไปมันก็อาจจะขาดได้ หย่อนยานมันก็จะไม่ไปไหนดังนั้พยายามหาหลักทางสายกลางเป็นทางทําให้มากที่สุดถ้าเราพอรู้สึกว่ามันวายเกินไปเราก็ผ่อนใช่ไหมคะถ้าไม่ไหวก็ผ่อนหน่อยเกินกําลังก็ผ่อนไว้ก่อนคพอมีกําลังก็เพิ่มหมเพิ่มไปเลยแบบนี้เลย เนี่ ย, ย, ยวิธีก้าวหน้ามันต้องบังคับมันไปหยื่ดีให้มันไปเองมันไม่ไปหรอกทางนี้ยีเลยกมันไม่ยอม ไ, ไปแต่ถ้าเทีย่ยวไม่ต้องไปบังคับมันมาชวนเราอยู่เรือ่อยไปโน้นนี่ <c oughs> น, นั่นค่ะแต่ <c oughs> ถ้าไปนั่ง <c oughs> สมาธิ <c oughs> ม, มันไม่เคยชวน น, นั่งสมาธิหรอกยีเหล็กใช่ไหมชวน <c oughs> ไปอย่างอื่นค่ะชวนอะไรที่มันเป็นเบา ค่ะมันเราแต่ว่าถ้ามีบางช่วงที่ตึงเกินไปก็จะปวดหัวรู้สึกว่ามันหนักเกินไปค่ะพอหนักเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าพอละไม่เอาละได้ พ, อ, พอนอนนอนมันก็จะเลยกว่าค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามดูว่าแค่ไหนคือที่พอดีสําหรับเราค่ะอแต่ว่าคําถามก็ก็ไม่มีค่ะเป็นเรื่องการปฏิบัติมากกว่าว่าเราทํา ค่อยๆค่อยๆทำไปค่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะของหนูว่ามีประมาณนี้ค่ะมาอะไรงานความก้าวหน <c oughs> <ะ>ว่าเป็นยังไงบ้างเอออย่างนั้นตอนนี้มีอธิษฐานนะตั้งใจต้องมีสัจจะรักษ <c oughs> า, าความตั้งใจได้สจัจจะค่ะอ่ แต่ก่อนไม่ยอม<ะ>ตั้งสัจจะเพราะกลัวทําไม่ได้เพราะอาจารย์ให้ตั้งสัจจะ ก, ก็เลยอืเอาจริงแล้ค่ะถ้างั้น<ะ>คืออย่างน้อยจะทําทุกวันค่ะแต่ว่ากี่นาทีจะไม่บังคับอ่าเนตั้งมันอยู่ในระดบับที่เราทําได้อย่าไปตั้งเกินกําลังของเราไปนะค่ะนะค่ะคก็เลยขอตั้งแค่ว่าทําทุกวันก่อนค่ะเพราะว่าร่างกายเหนื่อยมากเดี๋ยวจะสัจจะอะไรเงี้ยค่ะ เด็กโอเคนะอยาไรท่าค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะค่ะคุณวอลินค่ะจิดวลินกับหลวงพ่อครับเป็นยังไงทิดก็ก็ตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันครับพระอาจารย์อืพระอาจารย์ครับการบุญคือความสบายใจหรือเปล่าครับพระอาจารย์ อ่บมันกิดความสุขใจเบาใจอิ่มใจแต่บางทีรู้สึกว่าถ้าเจอคนที่เราแบบเจอแบบเดี๋งเจอพระใาจา ร, รู้สึกอิ่มใจแบบนี้มันเรียกว่าบุญเหรอครับอาจารย์บุญทางตาเลยบุญ่างๆเอ๋อในสมัยกับรูปที่ถูกใจมันก็อิ่มแลเห็นเห็นคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารแต่อย่างมีอสอนเรื่องการการป้ อ, องกันการโกรธบนคอนสิร์ท่านบอก ว, ว่าการเห็นสมณะเป็นบางคนอย่างยิ่ง ก็เป็นบุญกุศลเป็นมงคลผมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องความโกรธผมจะใช้เมตตาเข้าสู้แต่ถ้าเรื่องความเศร้ามันกลายเป็นรู้สึกผิดคิวตี้ในตัวเองอย่างนี้ครับหลวงพ่อใช้จัดใช้อ<ม>ต้องใช้ปัญญาด้านไหนช่วยครับเราต้องใช้อุเบกขาครับช่วยทําอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเฉยเป็นเรื่องกรรมของเขาไปครับเรื่องกรรมของเราไปครับเพราะความรู้สึกแบบความรู้สึกผิดนี่มัน มันไม่ใช่อารมณ์แบบร้อนแบบอารมณ์โทสะแต่มันอารมณ์แบบมันเหมือนมันอารมณ์แบบหนักๆใั่ไหมครับยอมนะว่าทำไม่ได้ไงอย่าไปรู้สึกผิดอันไหนทําได้ก็ทาอันไหนทําไม่ได้ก็เรีว่าเป็นกรรมไปครับอเมริกาเรามีกรรมเป็นเราและเขามีกรรมเป็นของของตนจะทําทกรรมอันไหนไว้ดีหรือเชื่อก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ไม่ว่าใครก็ตามเราหรือใครก็เหมือนกั น, มนเมื่อเขาต้องรับผลที่ไม่ดีหรือเราต้องรับผลที่ไม่ดีก็ต้องยอมรับมันไปครับำใส่กลางที่หลวงพ่อบอกว่านี่คือบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าไหนกลางหรือว่าตึงเกินไปครับพระอาจารย์ถ้ามันง่ายก็แสดงว่ามันต้องทาให้มันมากขึ้นถ้ามันยากก็ต้องลดหน่อย ให้มันอยู่พอดีไม่ยากไม่ง่ายครับไม่ยากไม่ง่ายเอถ้านั้งห้านาทีรู้สึกมันง่ายก็ต้องเพิ่มเป็นยี่สิบนาทีครับแล้วยี่สิบนาทียังง่ายอยู่ก็เอาชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยก็ลดลงมาห้าสิบห้านาทีอ๋อทางสายกลางให้เจอเหมือนยกเวทใช่ไหมครับหลวงพ่อให้เราหนักคนนั่นแหมันยกกำลังมันยกน้ำหนักอะดูกำลังของเรา ตัวบางคือพูดถึงบุญเรารู้สึกถึงความอิ่มอกอิ่มใจก็เลยนึกว่าคนบางคนมันทาจิตอาสามันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากกว่ามันนั่งสมาธิครับทางที่นั่งสมาธิมันได้บุญมากกว่าครับอาจารย์เพราะวันยังไม่ได้ผลมันเลยมันเลยไม่รู้สึกอยากอากสมาธิแต่ผลที่ได้จากการไปเป็นจิตอาสามันได้ผลก่อนมันเลยเห็นชัดว่ามันเลยเห็นว่าอิ่มใจกว่าแต่นั่งสมาธิยังไม่ได้ผลยังต่อสู้กิเลสอยู่แทนที้แทนี้อิ่มใจกับทุกข์ พอาต้องสู้กับความอยากครับแต่ถ้าชนะมันแล้วมันจะอิ่มใจกว่ามันจะบอกว่าพอมันสงบแล้วมันจะอิ่มใจกับการไปเป็นจิตอาสาอ๋อทุกวันนี้รู้สึกดีใจที่สุดคือที่คุณแม่พาไปหาพระาตั้งแต่เด็กๆทำให้รู้สึกศาสนาการบ้านเมืองในสมัยนี้ทําให้เราแบบรู้ว่าการรักษาใจมันสําคัญกว่าไปลงถนนเยอะแยะมากมายเลยครับเออดีแล้ว น, นะเออรู้สึกว่าเออเป็นนี่บุญคุณแบบ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ทุกองค์ที่ทําูปบารุงสรรพนามาทําให้เรามีเจอศาสนาพุทธในวันนี้ถ้าไม่มีการศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วก็คิดแต่เาอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นเป็นหลักก็ดีใจที่แบบเออเรามีศาสนาพุทธอยู่เพราะพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีศาสนาพุทธก็เลยแบบมีธรรมราชามีกษัตริย์ที่เป็นให้ธรรมะปกครองประเทศราชการต่างๆให้ท่านบวชท่านน่ะท่านบวช รัชการที่ห้าก็บวชรัชการที่สี่ก็บวชนานแล้วเสร็จลงมาเป็นกษัตริย์พอลูกของท่านรัชการที่ห้าท่านก็ให้บวชบวชมาตลอดทุกแทบทุกพระองค์ nah <conduction, S 1> มีแบบเป็นค่ากปกครองประเทศครับฟันเพศของหลวงพ่อวันก่อนที่บอกเหมือนวัคซีนมันเห็นภาพเลยครับก่อนหน้นนี้มัน เอใส่เท่าไหร่ถึงจะพอพอนีกวัคซีนเอใช่วัคซีนมันคือใส่แบเชื้อเชื้อโรคแบบคันอ่อนแอที่สุดเพราะถ้าใส่แรงเกินไปเราจะโดนพิษของวัคพิษจากเชื้อโรคแพงก็เลยเออมันเห็นภาพชัดเลยครับชอบํำบุกมาของหลวงพ่ออันนั้นมากเลยครับโอเคไม่มีอะไรครับหพอยายามปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพิได้เท่าไหร่เพิ่มไปอจรย์กขอบคุณหลวงพ่อมากครับในี้ก่อนะ อคุณเอกอยากเชิญอะไรเชิญกลับมาสักกา์พระอาจารย์ครับผมเป็นยังไงมีอะไรรายงานหรือมีอะไรจะถามก็สัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ออตอนนั่งสมาธิเวลามันสงบลมมันก็จะมาอยู่ที่จมูกครับพระอาจารย์เสร็จแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีร่างกายครับ นลมมันจะอยู่ที่จมูกู่ตรงนั้นผมก็ตั้งสติตรงนั้นนะครับา้าจานมันเป็นอยู่จุดเดียวไม่ต้องไม่สนใจกับความรู้สึกความรู้สึกมันหลอกได้ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งนะฮะที่ที่เวลานั่งสมาธิครับก็ไม่วันนั่งไปนั่งไปดูลงไปให้แยู่ครงจมูกอย่าไปคิดอะไรนั่งเพื่อให้อยุดคิด ครับผมมันก็เหมือนแบบว่าเออมันมันลมมันอยู่ที่จมูกแล้วก็ความรู้สึกเจ็บปวดอะไรมันก็ไม่มีแล้วก็เบาอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์นั่นแหละเวลาจิตมันมันสงบมันก็จะไม่ค่อยรับรู้เรื่องทาง่าทางร่างกายอั้ไหลาครับผมผมต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่มันจะแยกผ้าแยกขันใช่ไหมครับพระอาจารย์คือมันไม่ยากเองนั่งนี้เพื่อให้มันสงบให้มันนิ่งอย่างเดียว ไป แ, แยกท่านนี่ต้องบ อ, อกต้ อ, ออกมาจากสมาธิแล้วมานั่งพิจารณาอย่างตอนนี้ไปแยกตอนนี้ได้ตอนนี้ไม่นั่งสมาธิตอนที่เดิ น, นจงกลมเราก็<ช>มาแยกธาตุแยกขันตอนนั้นใช่ไหมครับพอาจารย์ไม่ได้นั่งทําอะไรอยู่นั่งอย่กอะไรทําอะไ ร, อ, ะไรอยู่ใน อ, อินเดียบุตรนาย น, นี่แยกทางได้ไหมพิจารณาได้ไยกเว้นเวลานั่งสมาธิที่ไม่ต้องการให้ไปแยกไม่ไปพิจารณา อ๋อโอ้แยกธาติขันมันไม่ได้แยกตอนที่เรานั่งสมาธิใช่ไหมครับมั น, นแยกตอน<แ>ที่เราทำํำอ่ามันเป็นการศึกษาไงแยกธานแยกขันนี่มันกันเป็นการศึกษาเรียนรู้วิชาจิตกับร่างกายว่าเป็นคนละส่วนกันอืมมันเป็นส่วนของสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมครับมันเป็นนั่นแหละมันเป็นวิชาที่เราต้องเรียนรู้ต้องรู้ว่าร่างกาย เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ม>อ า, ารมณ์ที่อยู่ในจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกแยกได้ตลอดในช่วงเวลาปกติช่วงที่เราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแยกเพื่อปล่อยวางเจนแยกเสียงเสียงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปสั่งให้มันเป็นเสียงชมอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวก็มีเสียงด่าตามมาเสียงนินทาตามามา ก็ปลผอมันมาไปอะไรจะมาก็ปล่อยมาเสียงด่ามาก็ปล่อยมันมาเสียงชมมาก็ปล่อยมาเราไปเราไปยุ่งกับมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไปอยากถ้าไปอยากจะให้มันเป็นเสียงอย่างเดียวเสียงชมอย่างเดียวมันก็จะทุกข์เวลาไปเจอเสียงไม่เสียงด่าก็อู้ข้าผมพิจารณาปล่อยวางทุกอย่างให้เขามาเขาไปตามเรื่องของเขา เขาจะดีเขาจะช่วกำลังเข้าไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะดช่อรย่างนีครับผมนั่นต้องต้องแยกตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิครับผมตอนสมาวนั่งสมาธินี้ต้องการให้นิ่งอย่างเดียวให้หยุดทีคินครับผมอืมโอเคนะโอเคครับพระอาจารย์เออวันนี้ช่วงกลางวันผมก็อ่านหนังสือที่พระอาจารย์เขียนไว้อะฮะ พอาจารย์พอจะเมตตาแนะ น, นําหนังสือเล่มไหนที่แบบว่าที่แบบที่พระอาจารย์เขียนหลายๆเล่มแบบอาจจะมีเล่มไหนที่แบบพิเศษหน่อยไหมครับไม่หรอกก็เล่มไหนก็ได้เหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันนะครับอ่อือมครับผมเดีพระอาจารย์มีอะไรสั่งสอนเพิ่มเติมอีกไหมครับก็เนี่ยสติตัวตัวยืนตัวหลักต้องมีสติตลอดเวลาครับผม ควบคุมความคิดเพื่อเอาความคิดมาคิดแยกทางปัญญาเนี่ยครับผมครับผมคิดอยู่เรื่อยเรื่อางกายไม่ใช่ตัวเราเร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเดี๋ยวไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับผมนะครับผมถ้ามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธแร้ดู ล, ลมเพื่อให้จิตนืง่งให้สงบพักพักจิตต้องสลับกันทนานั่งสมาธิเพื่อพักจิตเอา ออกมาจากสมาธิก็มาทำงานทางปัญญาพิจารณาไตรับพิจารณาธาตุขันในครับผมขับใจนะครับผมสาธุครับกับขอพูดพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมอ่าทอคุณสุพัน ส, สุพสัเป้าอ่าเปิดไม้ได้เชิญเปิดไม่มาสการ์ารานะครับพระอาจารย์ออยู่ที่ไหน อยู่ที่ลบบุรีครับลบบุรีครับ้มาครั้งแรกเหรอวันนี้ครับเข้ามาครับไปกอาพระอาจาร์แล้วครั้งหนึ่งครับยังเป็นเพื่อนของพีไม่ทราบว่าพระอาจารจําได้ไหครับพีเหรอใช่ใช่ครับอต้องเห็นหน้าก่อนไม่รู้จักชื่อยาโยมาปีร้อยปีพัดก่อนไม่รู้จักชื่อไม่เคยถามชื่อเอไม่เป็นไรครอบวันนี้ก็เลยมาให้ให้ให้ท้าอาจารเห็นหน้าครับ มาวันนี้เลยมาให้พระอาจารย์เห็นหน้าครับอให้พระอาจารย์จะได้ครับครับอาจารย์จะได้ช่วยชวยดึงหน้าตาแบบนี้ต้องบวชหน้าแบบนี้ต้องบวชครับครับครับแม้ว่าจางจะได้บวชเนาะคิดอยู่ว่ามีครับมีมีลุ้นครับนี่ให้ให้พระอาจารย์ช่วยส่งพลังมาครับ ผมนะนะนะส่งไปแล้วเนี่ยบวนได้เลยพร้อมนะครับครับสาธุครับเอมีอะไรนะมีอะไรถามนะครับมีอะไรถามไหมอ๋อเออถามก็ได้ครับเออการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำเป็นไหมครับว่าที่ จะ ต, ต้องนั่งนิ่งท่าเดียวเลยหรือว่าเราเปลี่ยนอิอริยาบทแล้วก็กําหนดจิตไว้ได้แต่ผมลองทดสอบแล้วมันเหมือนกับว่าพอขยับตัวเนี่ยมันคลายออกอ่ะครับอ๋อถ้าขยับตัวมันก็ถอนออกอ่ะต้องนั่งต้องการนั้งมันขึ้นมาอย่าไปขยับตัวอมันเข้ให้สุดเลยอ่าขยับตัวก็เหมือนถอยออกมาเริ่มต้นใหม่ก็ดมกลับเข้าไปมันก็จะเดินหน้าถอยหลังอยงนั้น นั่งแล้วก็ต้องให้ใหมันไปให้มันสงบสุดๆก่อนให้มันสุดแล้วก็มันออกมาเอง น, นั่งกายอย่าไปขยับปล่อยนั่งกายอยู่ฉเฉยอาจารย์นะเขา ม, มีมีเรื่องเล่าครับอาจารย์ผมไปไปหาพระอาจารย์มาแบบกลับมาที่บ้านนี่เป็นแบบเครื่องติดไปเรือมีเครื่องเลยครับเครื่องเป็นมีเครื่อง เรือเรือเป็นเป็นอาจารย์เอให้เปรยบเสพมัเป็นเปรียบเสมือนได้ยินไม่ชัดครับแต่ว่าบอกครับคือกลับกลับมาจากที่กลับอาจารย์นะครับเป็นเหมือนเปรีบเสมือนผมแบบเป็นเป็นเรือมีครับเออาจารย์เคยเทศครับครับดีดตอนนี้ก็เป็นเรือพ่วงก่อนแถัดมาแล้วก็ใส่ขึ้น ต่อไปเราจะไดไม่ต้องรองให้คนอื่นเขาพกพ่งวงเราไปไหนมาไหนแล้วไปของเราเองได้ในหม่ๆก็ต้องให้ใ ค, ครเขาชวนเราไปก่อนชวนไปวัดไปอะไรไปปฏิบัติต่อไปเราก็ไปเองได้ไม่ได้คนอื่นก็ชวนเราพาเราครับให้ให้พระอาจารย์ช่วยอัปเกรดเครื่องให้แรงๆขึ้นเลยครับเอ้8ศนะูนย์นทนทนครับ8ศูนย์ครับ ปัญญาปฏิบัติไปเดี๋ยวเครื่องมันก็จะอัปเกรดไปเองอ่ะครับไปเครื่องมันก็ใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้ น, นครับเราเรียกว่าเป็นจากจากอินทรีย์ก็กลายเป็นพลังอินทรีย์ห้าก็กลายเป็นพลังห้าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาตอนต้นก็เป็นเครื่องเล็กๆพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปศรัทธา สติวิริยะสมาธิปัญญามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นมหาสติมหาปัญญาไปนะพยยางปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมันจะมันจะก้าวหน้าไปถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าโอเคนะขอท่นนี้ก่อนนะจะได้ไปที่ท่านตอบครับแต่ร้องสักการครับคุณสุภพัฒนามีอะไรไหม มีเนะจ้าค่ะมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะจากบอเวนเจ้าค่ะมาขอฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุฟังไปนะสาธุเจ้าค่ะคุณกล้องว่างงาคุณกล้องคุณแม่อยู่หรึเปล่าวันนี้ปิดไม้ปิดไม้ก่อนได้ยินนะครับพระอาจารย์ครับอ่นะครับผมอันนี้กับผมกลับมาเรียนที่บางแสนะครับ เร่ที่นาอะไรเลยใช่ครับผมแแ ม, แม่แม่ก็เลยเมม่ไ็งเข้ามา <l acht> ครับครับย่ ง, ง <l acht> จะทาไหมวอ๋อครับอ่าครับอพระพระจ้ครับอ่าเราตอนอย่างตอนขับรถตอนทานข้าวอย่างเงี้ยเราเราภาวนาไปด้วยได้ั้ยครับได้ก็ให้ดูที่เราทำอยู่ให้มีสติอยู่ของงานที่เราทำอยู่ ขับรถก็ขับรถไปอย่างเดียวเหยีอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องมาอยู่กับเรื่องขับรถรับประทานอาหารก็อยู่กับเรื่องรับประทานอาหารอย่าไปคิดเอาครับเอาครับเป็นวัดถ้าถ้าเราถ้าเราอขับรถไปด้วยแล้วเราแล้วเราพดโทไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้ยถือว่าได้ไหมครับถ้าถ้ามันถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พูดโทหนึ่งกลับมาได้แต่ก็ต้องอยู่ที่การขับรถเป็นหลัก <Okay. S 2> เดี๋ยวรถขับหน้าเดี๋ยวรถมีอะไรตัดหน้ากระทันหันจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันทันท่วงที่ต้องมีสติอยู่การขับรถเป็นหลักแล้วว่าอาจจะใช้พุโทโธช่วยหนึ่งจิตไม่ให้เป็นที่เรื่องให้มาอยู่กับการขับรถอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าาเราพุโทโธตลอดนี่ก็ไม่ไม่ดีใช่ไหมครับก็ดีถ้าใช้ได้ถ้าเราไม่ต้องทําอะไร แล้วทำอะไ ร, เ ร, เ, รเราก็ต้องใช้สติอยู่การทํางานของเราแล้ว <c oughs> เราไม่ได้ทางานเราเดินเดินไปเดินมาอย่างนี้เราก็พุโทโธพุโทโธไปหรือทํางานที่ไม่ต้องใช้ความคิดพุดโทโธพุโทโธไปเช่นกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ําซักผ้าครับ <c oughs> เดี๋ยวไปที่คนอื่นก่อนเนะคุณเดี๋ยวไปรักษาตัวคุณก่อนใช่ครับโอเคคุณกาแฟเชิญคุณกาแฟ อิสุราครับจากโซลาใช่ไหมใช่ครับอืมอก่อนนั้นอก่อนหน้า น, นี้ได้มีโอกาสไปที่ถ้ำสหายครับไปประโยชนธรร ม, มาครับรุนแรงหน่อยได้ไหมไม่ค่อยจะยินก่อนหน้า น, นี้ได้ออ่อได้ไปท้ำสหายมาครับไปประโยชนธรรมมาครับไปอยู่มากีวันเนี่ยห้าวันครับผมนก็ดีครับได้รับใช้พระแล้วก็ คือเหมือนไปละตัวตนละแบบทําตัวเป็นผ้าคีริ้วครับเหมือนที่อ า, าจารย์สั่งสอนนะครับ ใ, ให้คนเขาใช้แล้วก็ปฏิบัติกิจส่วนตัวแล้วก็ทํากิจของส่วนรวมข อ, ของของหมู่คณะของพระด้วยครับต้องไปนั่งสมาธินะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นครับ ก, ก็ก็ได้นั่งแล้วได้เดินตรงกลมครับผมงานปฏิบัตินี่สําคัญแตง่งานอย่างอื่นก็ทําประกอบไปได้รับช้ผู้อื่นลดลด ทองตอนลงเราอยากถือตัวก็ได้ได้ตรงนี้เยอะครับอูกตัดตาตัวตอนลงมากมากเลยครับออครับก็วันนี้ก็คือก็อยากถามเพื่อคนอื่นด้วยครับคือที่ที่สุราษฎร์ที่ใต้ครับก็ก็คือจะมีการแบบบูชากุมารที่ดังๆอะไรเงี้ยครับ อ, อยากให้พระอาจารย์แสดงคำเลยว่าเ อ, อการบูชาของพวกนี้มันเป็น มันยังไงบ้างครับเป็นเดรัจฉานวิชาครับเป็นวิชาที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันมันเกิดจากความโลภของคนหรือเปล่าครับมันเกิดจากความหลงแล้วก็ความหลงเอาอยู่ที่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถทำให้ร่าให้รวยอะไรก็ว่าไปครับแล้วเราจะขจัดขจัด ข, จ, ดขจัดมันออกไปยังไงครับ ก็ย <els> ึดพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป <s Formula Nossa> yeah, like so ็นเป็นที่เพึ่งเลยเราไม่เราไม่ยมบูชาอย่างอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับผมครับอเนื้บุคคลที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้บูชาเช่นบิดาบรรดาพุทธญาติญายิครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายบูชาได้ครับผมแต่กูมาไม่รู้จักมันไมปไปบูชาทําไมครับไปบูชาเด็กทําไมครับ เป็นแต่เขาวอกเด็กคนนี้เก่งวิเศษก็เลยเอาเชื่อกันนั้นก็ตายตื่นตัวครับอืไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าโดยจริงหรือเปล่านี่ครับพอดาดารามาก็สร้างกระแสกันไปก็สร้างกระแสกันไปเรื่อยๆครับอมีใครทําสถิติว่าคนที่บูชากูมาแล้วรวยกี่คนน้อยครับแวคนปลอดภัยกี่คนนฮะครับครับ มันต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ใช่ไหมครับครับครับธรรมะของพระเจ้านี่พิสูจน์ได้สานทิติโกรครับผมว่าบัิบัติแล้วดับทุกข์ได้เราไปพิสูนจน์เราเห็นจริงเราเห็นเราเห็นสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็เชื่อสิ่งที่มันมีอยู่จริงอย่าไปเชื่อสิ่งที่มันงมงายที่เราพิสูจน์ไม่ได้ได้ครับงม ง, งายนะสาธุครับโอเคครับคาับตลเนี้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะหายหน้าไปมา ครับไปปิดร้านไปหลายวันเลยครับเราย่อมขาดทุนไปหลายวันเลยครับมย่อมขาดทุนนอกย้อนตลาดซับภายนอกไม่อเอาทรับภายในออครับครับภายนอกต่อไปเอาไปไม่ได้นะเอาได้จะ่ซัพภายในไปครับผมครับขอบคุครับไม่ต้องไปเสียใจซับภายนอกพอมีพอที่ก็พอแล้วนะครับผมอาจารย์โอเคมิโนดี้อ่าห้าเปยังไงนมัสการค่ะอาจารย์ สบายดีนะสบายดีค่ะมีอะไรหมนี่มีค่ะเข้ามาฟังค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะไปวัดค่ะเหมือนเดิมได้โอเคองั้นก็ฟังต่อไปน ะ, ะปการค่ะอคุณวิชานะครับบัตหเข้ามาพอดีแ า, า, ารัรากบบารเราปะาเป็นยังไงสบายดีนะสบายดีครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ได้เข้าเหมือนกันเพราะว่านั่ง ตรวจเขาสอบเด็กครับแล้วแม่เขาถามว่าพระอาจารย์จะงไม่มาอยู่ผมเลยบอกมาแล้วเดี๋ยวเขาให้พอดีแม่เขาเขาฟังอาจารย์ก็เลยเปมดอหแม่เข า, ายังไม่มีอะไรถามครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาแม่ไปต อ, ตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนได้ถามแล้วใ น, นรอบแรกคุณวิชญ์คํถาถามยังเฟซบุ๊กยังยังไม่มีครับ อันนี้เปิดกาอยากจะถามอีกรอบหนึ่งก็เชิญถามได้นะคนที่เคยถามว่าอคุณพระศาสนาจะกราบเรียนภาะอาจารถามว่าเ อ, อเวลานั่งสมาธิะคะ่ะท่านเ อ, อถ้าเกิดนั่งไปแล้วเนี่ยมันสัมผัสลมหายใจไม่ได้คือลมหายใจเนี่ยมันจับไม่ได้แล้วเนี่ยคือเราสามารถคือตอนเนี้ยพอจับไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะใช้ ใช้บอกว่ากายสังขารสงบระงับหายใจเข้ากายสังขารสงบสงบระงับหายใจออกอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยอย่าไปอย่าไปปรุงแต่งอย่าอย่าก็คือให้มันรู้เฉยรู้อยู่กับความว่างไปรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแค่นั้นเองอพอไปปรุงแต่งมันก็จิตมันก็อยากกลับขึ้นมาอีกต้องการจะหยุดความคิดปรุงแต่งให้สัตกแต่ว่ารู้เฉยเฉยได้ไหม ก็รู้ไปก็รู้เหมือนตอนที่มีลมอห็นีหยรู้ว่าตอนนี้ไม่มีล ม, ม, ลมก็เหมือนดูทีวีแล้วอยู่ดีๆภาพมันหายไปก็ดูจอเปล่าๆไปออืก็ดูแค่ที่จมูกไปจมูกเฉยๆถ้าตรงไหนมันยังสัมผัสได้ก็ที่ตรงนั้น่ะแล้วก็อีกคํำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์เ อ, อสงสัยว่าไอ้สงสัยอันนี้อาจจะแบบชอบพออ่านแล้วมันจะสงสัยธรรมวิทยาสัมโพชฌงนี่คืออริยสัจสี่หปล่าคะพระอาจารย์ธรรมะวิทยไอ้ข้อสองอนะคะ่ะ ธรรมะวิเชญาแต่เขาจะทำคือปัญญาขาอบปริยสัตว์สี่ไหมคะหรือว่าทุกอย่างทุกอย่างครับก็ปัญญางานนิจังทุกขังนั่นตางเนี่ยการวิจัรนาตายรักก็เรียกว่าธรรมะวิเชญาวิจยญาแปลวิจัยฮะมาจากคาว่าวิจัยไหมวิจัยทอวิจัยทำทำมีอะไรทำก็มีตายรักปริยสัตสี่จปต่อ คือ <c oughs> พิจารณาตายรักนะพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักพิจารณาเหทน า, ทานว่าเป็นตายรักพิจารณาอารมณ์ของจิตเป็นตายรักนะคือความหมายอืเป็นตายรั ก, กคุณสันตินทานเพิ่งเข้ามาเข้ามายัางเสร็จหรืยักําลังต่ออยู่บางเห็นมีมเห็นมีมามาแล้ว ค, ไไคุณสันติน่ย่ยอ กันวัตสการพระอาจารย์ค่ะพอดียมฟังอยู่ข้างนอกอะคะ่ะยังไม่ได้เข้ามาในนี้แต่เห็นว่าไม่มีใครถามแล้วยมก็เลยเข้ามาครั่จาร์อาจารย์<ต>พระอาจารย์รายนะนี้นค่ะก็ยมก็ปฏิบัติไปอะคะ่ะยังยังคงปฏิบัติไปอยู่ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอาทิตย์ที่แล้วยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาโยมปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยยมจำเหมือนกับ นั่งให้มันสบายแล้วก็หาอะไรพิงใช่ไหมคะพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปพิงมันเพราะว่าไม่ไม่จําเป็นโยงก็นําไปปฏิบัติแล้วมันก็ทําได้อ่ะค่ะมันก็เลยมือรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นแค่จิตเรายึดเกาะหนุ่มเหนียวว่าเออเรานั่งสบายแล้วเราจะตั้งได้นานแต่จริงแล้วมันไม่จําเป็นโยมก็นั่งได้เป็นชั่วโมงอยู่ดีสบายแล้วมันจะลับมากกว่าแต่มันสบายเมากจะลับแต่ว่าพอเวลาปิติเกิดนะคะพระอาจารย์แล้วมันเวลาที่ตัวโยกอะค่ะโยงก็จะพยายาม นั่งขึ้นมาให้ตรงเพื่อที่จะกลับไปนั่งให้มันเข้าไปลึกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วทุกครั้งที่มีการปรับตัวให้ขยับตัวเงี้ยมันเป็นการทําให้เราถอยลงไปในระดับสมาธิไหมคะพระอาจารย์ถอยออกมาไม่ได้ถอยเข้ากไปถอยถอยออกมาใช่ไหมคะพระอาจารย <ง S 2> ์ยกก็เลยนะึกว่าพอเราเริ่มต้นสภาวาังน่าแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่าง ก, กายนะมันจะเองไปหน้าไปหลังมมก็เรื่อนลงมาไมเข้าไปสนใจ แต่พอหลังจากชัว<อ>่วโมงหนึ่งไปไ<อ>มันก็เริ่มอยู่ตัวมันก็นั่งไปได้เรื่อยๆค่ะระอาจารย์มันก็นั่งไปได้เรื่อยๆค่ะ<อ>ซึ่งโยมก็แปลกใจเพราะว่าเหมือนกับโยมติดกับว่าเออเราถ้าเรานั่งสบายแล้วเราจะนั่งได้นานแล้วมันจะลึกเข้าลึกแต่มันก็มันก็ก็กลับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะถ้าพระอาจารย์ไม่ชี้แนะโยมก็คงทําตัวจำสบาย<อ>ปล่อยให้คิเลสค <c oy S 2> อยยึดมัน่นแต่ก็ตอนนี้ก็ โยมก็กำหนดลมหายใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วบางทีมันก็เข้าไปลึกอ่มันก็นิ่งอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่างความคิดฟุ้งซ่านที่อยู่ข้างนอกก่อนที่จะนั่งสมาธิก็จะคิดไปทั่วกังวลไปทั่วคราวนี้มันก็นิ่งขึ้นแล้วมันก็ไม่แต่พอถอนออกมาปุ๊บโยมก็ยังคงฟุ้งซ่านเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยา ม, ามันก็ต้งองควคุมจิตต่อไปพูดโทพูดโทไปปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่าน ค่ะพระอาจารย์แล้วเวลา ย, ยมจะเจริญปัญญาค่ะตามที่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้แนะนำํำพี่คนหนึ่งไปอะค่ะพิจารณาร่างกายเราไปก่อนร่างกายเราไม่เ<า>กียวค่ะพระอาจารย์คือการพิจารณาร่างกายนี่เราต้องพิจารณามากน้อยแค่ไหนคะพระอาจารย์เพราะว่าจนกระทั่เร า, เาปล่อยวางได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าโยมต้องพิจรารณาตลอดเวลาถูกไหมครัะอาจารย์เพื่อให้มันตอต้องจนกว่ามันจะปล่อยวางแล้วมันก็ไม่ต้องพิจรารณาถ้าไม่พิจรารณาแล้ ก, ก็จะมีคิดว่ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่แล้วเนี่ยพิจารณาเพื่อให้ดับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอืมแล้วเมื่อพิจรารณาอย่างนั้นแล้วความฟุ้งซ่านอย่างเช่นความกังวลความผูกพันความยึดมั่นกับาธาตุขัน มันต้องหมันกับครอบครัวมันจะไปเองใช่นีมค่อถ้ามันปล่อยวางแล้วมันก็จะหายไปหมดแล้วกําลังสมาธิที่เราทำจากในสมาธิจนกระทั่งถึงจุดที่เราไม่ไม่ฟุ้งซ่านนะคะจนกระทั่งมันมันนิ่งอาจจะฟุ้งซ่านน้อยกําลังสมาธิตัวนี้จะมาผลักดันให้ปัญญาเกิดขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอกมันปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาอยู่มากอยู่บ่อย สมาธ<ช>ิ่งช่วยช่วยช่วยทําตามช่วยปัญญาทําปล่อยวางปัญญาบอกต้องปล่อยวางถ้าไม่มีสมาธิก็ปล่อยไม่ได้ไม่มีโอกาสให้ยังไเราควรจะเจริญปัญญาใช่ไหมคะพระอาจารย์มากกว่าการเจริญสมาธิหรือเปล่าคะก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาให้มากต่อไปตอนต้นจะเจริญสมาธิให้มากพอได้สมาธิแล้วทีนี้ก็ไปเจริญปัญญาให้มาก แต่ไม่ไม่ทิ้งสมาธิก็สลับกันทําค่ะคือตอนต้นนี่ก็ปัญญาก็น้อยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรู้มากตอนนี้ก็รู้พอแล้วรู้อนิจจังทุกขามหน้าตาแล้วรู้แรงกายแล้วนีแต่ยังปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิก็พยายามฝึกสมาธิให้มากๆจนกว่าจะปล่อยได้ค่ะอาจารย์ถ้าลืมเมื่อร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็พิจารณาอยู่เรื่อย ดึงมันกลับมาใหม่แล้วบางทีมันเผลอลืมได้พอเห็นผิวผิวย่อนหน่อยเห็นผมเหว่ยงหน่อยก็ความวิตกขึ้นมาแสดงว่าลืมแล้ว<ช>นี่คระอาจอารย์นะในเวลาเจ็บท้องขึ้นมาตกใจแล้วว่าเป็นมะเรงหรือเปล่าแสดงวา่าลืมแล้วใช่ค่ะอาจารย์ยมเริ่มรู้สึกว่าสติมันมีเฉพาะเวลาที่เรากําหนดเท่าตอนไหนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิหรือไม่ได้อยู่ใน เรื่อเวลาววเวลากลัวตายขึ้นมาก็โอ๊ยลืมความลืมความตายไปล้ไม่กลัวตายทำไมคนที่รู้ว่าต้องตายจะไปกลัวความตายทำไมใช่ไหม<อ>ที่กลัวความตายเพราะลืมไปว่าตัวเองต้องตายใช่ไหมใช่ค่ะนี่ ว, ว่าตัวเองจะอยู่ไปเรื่อยๆนะค่ะไปคิดถึงเหตุาการณ์ว่าอาจจะทําให้เราตายได้ตกใจขึ้นมาเป็นโควิดในตอนนี้ตกใจกลัวกันใหญ่ค่ะ แสดงว่าเร็วความตายเร็วความเจ็บกันละแต่ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ายัยางไงก็ต้องเจ็บวะไม่เจ็บวันนี้ก็ต้องเจ็บพรุ่งนี้แหละไม่เจ็บด้วยโควิดมันก็ต้องไปเจ็บด้วยมะเร็งด้วยความดันเนื้อเบาหวานทั้งอย่างไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายพรุ่งนี้แหละกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพื่อจะได้ตัดความกังวลความวิตกความหวาดกลัวต่างๆถ้ามันจำได้มนไม่กลัวหรอก คือถ้ามันจำได้แล้วมันยังกลัวอยู่วแสดงว่าจิตไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเราต้องพยายามทำอุเบกขาให้มากๆเข้าใจไหคะเข้าใจค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์คะ่ะเพระอาะะจารย์ขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะของการเกิดสติอัตโนมัตินะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรคะก็แบบว่ามันไม่ต้องตั้งเหมือนนาฬิกาไม่ต้องมาคอยขายลานก็เห็นนาฬิกาอัตโนมัติไหม ทำไมก่อ น, นนะที่พวกคุณไม่อาจจะไม่เคยเห็นนาฬิกาต้องขายลานยุคแรกๆหนึ่งนาฬิกาต้องขายลานวันนั้นอย่างน้อต้องหนึ่งรอบปั่มมาเขามีคนคิดวิธีทํานาฬิกาแบบมันขายลานในตัวมันเองนะเขาเรียกนาฬิกาอัตโนมัติไม่ต้องมาคอยขายลานสติของเรานี่บางทีต้องคอยมาคอยคอยเคี่ยวเข็นมันอยู่เรื่อยๆพอไม่เคี่ยวเข็นมันก็เพลินสติใจลอยขึ้นมา แต่พอมีสติอัตโนมัติแล้ใจมันไม่ลอยใจมันมีสติตลอดเวลาเข้าใจไหมเข้าใจค่ะพระอาจารย์กา็ขอพู้คุณกับน้องสการกับพระอาจารย์เอปฏิบัตรไปแล้วพอนด้นสติก็ร่วมคบกคานไปก่อนต้องคอยเดินคอยบังคับคอยผักมันแต่พอต่อไปพอมันมันมันทํำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปไม่ต้องมาคอยตั้งสติไม่มีไม่ ไม่ไม่เผลอหรือเผลอก็น้อยมากเผลอแบเดียวรู้รู้ทันก็กลับมาทันทีค่ะพระอาจารย์จะตั้งใจปฏิบัติค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะตู้จ่าวันนี้คุณจี๊บเห็นเข้ามานะเข้ามาเอ็มเราอยู่ข้างนอกเข้าเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับครับเปิดเปิดได้เลยฮะเรากล่าวนามสการค่ะพระอาจารย์ขอบคุณครับคุณก้อย กนมันส ก, กสคุณกสนน่นอน ก, นอนกลนาเข้ามาง เ, เกีงยงครับยงเข้ามาเช็คชื่อค่ะครับ <laughs> มีอะไรจ <c oughs> ะรพูดมออไม่มีค่ะมาทักทายพระอาจารย์ลกลับนมัสการพระอาจารย์เฉยๆค่ะแล้วอนุโมนทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะออนี่ก็สบายดีค่ะก็พยายามปฏิบัติ ควบคุมความฟุง้งซ่านบางทีก็มีบ้างที่แบบมีเรื่องมากระทบก็จะแบบเออหมองเศร้าไปนิดนึงแต่ก็คิดแบบช่างมาเถอะผูก็ทุกขังนะตาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปจดจ่อในความเศร้าหมองอันนั้นนะคะทุกน้อยลงแล้ก็มันก็มีเรื่อยๆแต่เราเราเ ป, เป็นพองว่าโยมไม่เอาใจไปอยู่กับมันมากมากมา ก, มากเหมือนเมื่อก่อนนะคะ อ, อ ปล่อยวางเมื่อเร็วปล่อยวางค่ะเพราะว่าคิดว่าอะไรจะเกิดอ่าอะไรจะเกิด็ เ, เกิดอันนี้จังทุกคร<อ>ั้งน ะ, ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราถ้าโยมคิดแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะคิดว่าอะไรจะเกิดก็ขอให้บุญนําพาไปแทนที่จะพูดอะไรจะเกิดก็ขอให้กรรมนําพาเราใช้คําว่าบุญนําพาดีกว่าไหมเจ้าคะแล้วแต่เร า, <c oughs> าบุญนำญก็ได้บุญก็ได้กรรมก็ได้ตัวกรรมจะนําพาไปเจอเจ้าคํามนายเอง เมื่กรรมไหนไว้มันก็ต้องเกิดนะจะทํากรรมไหนไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนัะจครับไม่รับไม่อยากจะรับผลของกรรมไม่ดีกรรมชั่วก็อย่าไปทําชั่วต่อไปนี้ใช่เค่ะก็พยายามไม่ถ้าเท่าที่จําได้ก็ไม่ได้กาะกรรมชั่วในชาติปัจจุบันถ้าจำมาก็พบแบบแบบเก่าของเก่าๆแบบเนี้ยก็คิดให้มันเป็นแง่ไจรักใจ เป็นธรรมะค่ะคออาจารย์สบายดีนะเจ้าคะยังหายใจได้อยู่สาธุค่ะค่ารับสาทุกรับค่ะที่นี่อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะได้ดีโอเคสาธุนะสาธุค่ะวันนี้สมาชิกน้อยคำถามหมดนะมีมีมีคำถามจากทางเฟซบุ๊กมาแล้วฮะครับเจน มีคำถามจากข้างเฟซบุ๊กสามคำถามเจค่ะคำถามแรกจากคุณนัตี้ปรึกษากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะความว่างในสมาธิมีอาการแบบไหนคะก็ว่างจากความคิดไว่างจากอารมณ์ไม่รักชกกามกลัวหลไม่คิดโน่คนคิดนี่รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้อยู่คำถามจากท่านเดิมค่ะความว่างในสมาธิ มีอาการแบบไหนคะอ่าก็เพิ่งถามไปเพิ่งตอบไปอ๋อค่ะเอ่อคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าลูกน้องทำผิดกฎเช่นปลอมแปงลงลายเซ็นหัวหน้าพอเตือนก็เถียงและไม่พูดด้วยถ้าเราปล่อยไปและไม่พูดด้วยเหมือนกันเราทำถูกไหมคะ ก็ถ้าเรามีหน้าที่ต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขไปไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเกิดถู ก, ถกเขามาตรวจสอบเราก็โดนโดนก็าหาได้แต่เราต้องการแสดงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่เกี่ยวเราก็ต้องไปจัดการกับปัญหานั้นถ้าอยู่เฉยๆเขาก็อาจจะมาโทษว่าเรามี่วนสมรู้ร่วมคิดไปกับเขาก็ได้หมดแล้วเหอ ถาหมดแล้วเจ้าค่ะอืเห็นคุณเกศเลนเข้ามาเห็นเมื่อกี้เปิดให้คุณเข้ามาแล้วคุณเกสะเลนเป็นยังไงกาอนก่อนนวมศัการค่ า, าพอาจารย์อยู่ข้างนอกเหมือนกันเหรอแล้วคุณเข้ามาอก็ฟังอยู่เจ้าค่ะ <c oughs> อ๋อพอดีพอดีชื่อ <c oughs> แล้วก็มาเักทายหน่อยนอะอยู่ข้างนอกพอดีฟังอยู่นะ่นาจ้าค่ะก็คือฟังคือว่าเราจะได้ศึกษาทําไปด้วยเพราะว่า รูกก็ยังไปไม่ถึงไหนเหมือนกันอ่าดีเราอาหนังสือของหลวงตามาหาบัวมาอ่านบ้างเลยประวัติปฏิปทาประวัติพระอาจารย์มั่นเนปฏิปทาเนี่เป็นหนังสือที่ะจะเาเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดดาวน์โหลดได้เข้าไปในเว็บไซต์ของหลวงตา .com นี่มีให้ดาวน์โหลดได้เข้ามา โยมพยายามนั่งสมาธิระหว่างวันนะเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงกลางคืนโยมนอนไม่เคยหลับแต่พอจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมันก็มีอาการที่ว่าปวดท้องปวดขาปวดไปหมดมันมันไม่ยอมให้นั่งนะเจ้าค่ะโยมก็เลยใช้เวลาระหว่างวันนั่งเอาก็ได้เวลาไหนก็ได้เวลาไหนสะดวกก็เอาเวลานั้นไปก่อนเจ้าค่ะอีว่ามันยมไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอมาร่วมฟังถามเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เซฮัลโหลันเอเจ้เซฮัลโหลันวันนี้เอเจมามา้ไหนดูปีกกันดูปีกกันนี่ตมันดูปีกกันไหนดูปีกกันดูปีกกันดูปีกสวยสวยดูปีกแีเยบิงงไหมเอเจอ่าเก่งมากเก่งมากเซฮัลโหลคันเซฮัลโหลันเซฮัลโหลันูดเคอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ไหนเธอน่ารัเธอน่อรารัใ ห, <ท>ให้พดูดพไทยได้ัหมไม่ได้ไไดพูดภานะ พ, พูดไทยไม่ได้เจ้าค่ะถ้าถ้าเผื่อว่าถ้าเขาอยากอาบน้ำเขาก็จะวิ่งมาหาแล้วก็ให้รู้ว่าเขาอยากอาบน้ำเจ้าค่ะเขาคือจะสื่อทางทางสัญญาณแต่พูดไม่ได้นะ <laughs> พูดไม่ได้ค่ะพูดได้แต่ what your p r o b l ร m มเจ้าค่ะอยู่ที่าอยู่ที่เราสอนเขาใช่ไหมสุดเจ้าค่ะ ไม่สอนไม่เออจะบอกว่าสอนไม่ใช่เจ้าค่ะบางทีนะ่ะถ้าเราสอนเขาไม่อยากเขาไม่อยากเรียนเขาก็จะไม่พูดนอกอจากว่าคําไหนที่เขาอยากจําเนี่ยเขาจะจําแล้วเขาก็จะพูดเองเจ้าคะ่ะ อ, อสอนยากเจ้าค่ะกลับสาธุเจ้าคะ่ะเสียจวันนี้ไม่มีใครเข้ามาละหมดละคําถามช่วงนี้ มีใครอยากจะถามอะไรไ ม, ไม่ไม่มีเนื้อจะได้ปิดประชุมว<ะ>ันนี้แล้วแล้วม่ค่ ะ, ะแล้วมีคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะคำถามจากคุณนกค่ะความว่างในสมาธิจากเดิมนั่งจนดิ่งแล้วจะเจอความว่างแต่มีอยู่วันหนึง่งนั่งทำงานปกติอาการความว่างในสมาธิดันขึ้นมาจน ดันขึ้นมาอยู่จนอยู่เป็นปกติแม้แต่ตอนลืมตาในชีวิตประจําวันจึงพยายามพาใจมาที่ความว่างตรงนี้อยู่เรื่อยๆยอมทําถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ก็อย่าให้เสียงานก็นแล้วกันถ้าเราต้องทําอะไรอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องทําอะไรเราก็ให้ใจอยู่ว่างๆที่ที่สุด แต่ถ้าทำงานอยู่อยู่ดีๆก็ไปว่างม่นั่งประชุมกันอยู่แล้วไปว่างคนเดียวเนี๋ยคนไหนก็จะหาว่าเราบ้าเราต้องรู้จักกันเวลาที่เหมาะสมที่เราควรจะอยู่กับความว่างไปมีอีกหนึ่งคำถามเพิ่งเข้ามาเจ้าคะ่ะจากคุณเบลพานุพงสุใจกราบณมสการเลนถามพระอาจารย์ครับความเห็นที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการใช้กรรมเก่าให้หมดเร็วขึ้น ถูกต้องหรือไม่ครับตอนนี้เห็นทุกชัดขึ้นครับมันเปลี่ยนไปปวดนั่นปวดนี่พอนึกถึงคําพระอาจารย์ให้ยอมรับอยู่กับมันก็เลยปล่อยให้มันปวดไปพอไม่สนใจมันก็เริ่มเบาหายไปกินยาแก้ปวดน้อยลงมากครับถูกต้องแล้วลนะอะไรันจะมาอาจารย์จะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปอยู่กับมันไปทุกเวทนามาก็ปล่อยมันก็ทุกข์เวทนามาก็ปล่อยมันเกิด อย่าไปยุ่งกับมันรับรู้เฉยเฉอส่วนการปฏิบททัติธรรมนี้ไม่ได้ไปตัดกรรมให้น้อยลงแต่ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงตการเวียนว่าตายเกิดให้น้อยลงกรรมที่เคยทําไว้มันก็ยังมีอยู่แต่แต่ไปตัดกรรมใหม่ไม่ไม่ไปทํากรรมใหม่เวลาปฏิบททัติธรรมนี้เรานั่งเฉยเฉยเดิ<ม>จนจงกรมนีไม่ได้ไปทํากรรมอะไรทนะั้งนั้ ถามหมด <คน S 1> แล้ ว, ลวจ้าค่ะหมดแล้วนะมีใครอยากถามไหมาวันนี้หนึ่ชั่วโมงกับสี่นาทีคุณอดี้าคุณออดี้ครับออดี้เจอนคุณอดี้ อ, อ า, าจารยกครั้งค่ะอาจารย์อจากถามว่าอย่างทุกวันเนี้การที่หนูเริ่มปฏิบัติอย่างไงทุกวันนี้เริ่มปล่อยวางกับชีวิต ต, ตัวเองหลายอย่าง มากขึ้นแล้วอะค่ะแต่ว่าเรื่องหนึง่งสิ่งหนึ่งที่ยังทําให้เราทุกข์ใจยังปล่อยวางไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นความทุกข์ของเขาเราเราไม่สามารถช่วยได้แต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราทุกข์ไปด้วยอ่ะค่ะทํายังไงเราถึงจะตัดแต่ตรงนี้ได้อะค่ะาอาจารย์ก็ใช้ห <het> ลักของโอเบคายพิจารณาว่าเขามีกรรมเป็นของเขาทํากรรมอันใดไว้เขาว่าต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป เขาเป็นอย่างนี้เพรเป็นผลกรรมของเขาเราช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาค่ะก็ต้องคือว่าเราต้องวางอุเบกขาให้มากขึ้นอย่างนี้เราไม่ใช่คุณใจร้ายใช่ไหมคะไม่อถ้าใจร้ายต้องไปตบตีเขาถึงจะใจร้ายถ้าอยู่เฉยไม่ได้ใจร้ายแต่แต่ว่าอาจจะขาดความเมตตาการุณาแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เมตตาก็ช่วยเขาไม่ได้กรุณาก็ช่วยเขาไม่ได้ ก็ต้องข<ม>อหนูแม่ตาแต่ช่วยเขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาโดยตรงเลยแล้วเรามไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันใช่ก็่เรยต้องก็าเราใช้อุเบรคครับเพื่อทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไปกับเ้าด้วยค่ะค่ะได้ค่ะทุกวันนี้หนูก็ไม่ทานเข้าเย็นมาสองเดือนแล้วนะพระอาจารย์เอีย่ยลดน้ําหนักลง ม, มา ก, กี่โลแล้วสามกิโลค่ะเนี่ยเราไปหุ่นดีก็ตุ่มหายไปขวดกลับมา อตอนแรกๆก็สู้มากเลยนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบกินแต่ว่าเนี่ยหนูพยายามที่จะทําให้ได้คือยังไม่ถึงสิ่งแปดแต่ก็พยายามจะรักษาให้ให้ได้เกือบทุกข้อให้ได้มากที่สุดอะค่ะพยายามเวลาอยากกินก็คิดถึงความปฏิกูลของอาหารอยู่เวลามันเข้าปากมันน่า ก, กินไหมอยู่ในปางแล้วมันน่า ก, กินไหมก่องจากเมื่อก่อนที่แบบอุ้ยเราต้องเลือกกินอันนั้นอันนี้ให้อร่อยตอนนี้ก็ ทำตามอย่างที <c oughs> ่พระอาจารย์บอกนั่นแหละค่ะกินเท่าที่คือรักษาชีวิตเอาเท่าที่เรากินกินเท่าที่กินทุกวันไม้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินใช่ค่ะใช่ค่ะก็เนี่ยเราก็ก็อย่างที่บอกเลยอะอย่างผมงอะก็ขึ้นอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้สนใจเออคือกับตัวเองอะกับเหมือนเหมือนกับว่าร่างกายของตัวหนูเองหนูไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วอะค่ะตอนเนี้ยเพียงแต่ว่า บางอย่างอย่างที่บอกตะเกตคือเรื่องครอบครัวแต่ว่าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามปล่อยวางอุเบกขาให้มากขึ้นกว่า น, นี้ค่ะจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจ อ, อก็ต้องฝึกสมาธิถึงจะได้อุเบกขาจริงถ้ไม่ได้สมาธิมันก็อุเบกขาปลอมหรืออุเบกขาที่เราคอยบงังคับให้กดมันไว้ฐ่นเดี๋ยวนูจะพยายามก็ยังไม่ได้หยุดยั้อยงอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆมานี้ซัก อาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยตัวเองเริ่มมีความเฉยแต่ว่าก็ไม่อยากทิง้งหรือว่าปกติวันพระจะตรงกับกลางอาทิตย์อะคะ่ะกลางสัปดาห์เนี้ยหนู่ก็ยังมีโอกาสไปไปวัดหลายหนอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงสองอาทิตย์นี้รู้สึกเหมือนวันพระทิ้งห่างทิ้งช่วงไกลมากเลยเลยไม่ค่อยได้ไปวัดวันนี้มันตรงกับวันเสาร์ ใช่ค่ะมาสองสามอาทิตย์แล้วมันเป็นมันวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยเหมือนกับไปวัดได้เหมือนกับไปแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทีวันพระจะตรงช่วงกลางสัปดาห์หรือไม่ก็วันอังคารวันพุธพรหัสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเสาร์เราก็ได้ไปกลางอาทิตย์เราได้ไปอะไรก็เ้าเราถือวันกลางอาทิตย์ไปอย่าไปถือวันพระเพราะวันพระมันเลื่อนไปเรื่อยๆก็ถ้ามัเป็นตรงกัเสาร์เทคก็เอาวันพุธแทนก็ได้ เออวันนึงอีกวันหนึ่งหนูตั้งใจไว้ค่ะพระอาจารย์ว่าหนูจะไปพยายามไปวัดทุกวันพระคือจริงๆเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่เพียงว่าหนูตั้งตั้งใจไว้ว่าทุกวันพระก็ไปวันพระที่นี่ไม่ไปตรงกับวันเสาร์หรือว่าที่ย์คนก็ต้องเอาชดเชยวันเสาร์วันที่มาเป็นวันพุธสิค่ะอ่าใช่ไหมค่ะกี่ลยนมัไม่ยอมมันกี่ไหนมันจะอยากจะ เมารวมกันแลดีเสาร์อาทิตย์เสาร์กับวันพราตรงกันเลยออามันแหละต้องต่อสู้เลยอะค่ะต้องดัดดัดจันทร์มันเดยก็งั้นต้องย้ายวันอาทิตย์มาวันเป็นวันพุธแทนนั่นหนูถึงพยายามไปวันพรานี้ไปให้เต็มวันเลยค่ะไปตั้งแต่เช้าทุกพราเลยไปไปแล้วก็ไปนั่งอยู่บนบนดบไปนั่งที่วิหารพยายามใช้เวลาให้คุ้มที่สุดที่หนูไปวัดอะค่ะต้องพยายามปฏิบัติให้มากมา ค่ะเพราะว่าดีกว่าอยู่ที่บ้านที่บ้านปฏิบัติสู้ที่วัดไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ค่ะไม่ปรัชญค่ะพระอาจารย์อยู่ที่วัดอย่างน้อยก็ยังมีมุเราก็รู้สึกว่ามีกําลังใจทํามากขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็อยู่ในวัดอ่ะนะคะไม่กล้ามูสาตัวเองเราต้องทําให้ได้อะเราก็ต้องทำนะคะพยายามมันรักษาสามวันไว้เสาร์อาทิตย์กลาวันพระกลางวันพระไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็เพิ่มวันพุธแทน เอาวันพระวันพูดก็วันพระไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าอ๋อใช่ค่ะพุดธโตเลยค่ะได้ค่ะงั้นหนูไม่บรบกวนพระอาจารย์แล้วค่ะเท่านี้ราคาเดี๋ยวหนูจะพยายามวางอุเบกขาแล้วก็จะไม่ทิ้งสมาธินะคะเอ่เาต้องฝึกเยอะๆถึงจะได้อุเบกขาจริงค่ะจะ<อ><อ>นั่งอะไรที่เป็นอุเบกขาจะเซ่แซงขึ้นมาบังคับมันให้เป็นอุเบกขาวันยังไม่เป็นอุเบกขาแบบธรรมชาติไม่ต้องบังคับ ค่ะได้ค่ะจะพยายามต่อสู้กับมันค่ะจะต่อสู้กับกีเลศ น, นะคะนี่สาธุ ม, มีใครมัร้ยทีอยากจะถามเชิญถามได้นะอะมีคําถามจากทาง facebook เจ้าค่ ะ, ะ ม, มาแว่ามาคำถามจากคุณปวีนาค่ะกราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะเรียนถามค่ะ พอดีอยู่ว่าตอนนั่งสมาธิแล้วมีอาการเหมือนชาชาเหมือนมีไฟดูดออกมาตามปลายนิ้วมือค่ะไม่รู้ว่าเป็นอาการของอะไรค่ะอไม่ต้องไปรู้มันให้ร่้มเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็พอหรือว่ามันเกิดแล้วก็ดับอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าไม่อยากไปรู้มันก็จะทําให้เราทุกข์ตอนนี้ก็ทุกข์ทุกข์เพราะอยากจะรู้มันเป็นอะไรไมนต้องไปอยากรู้มันรู้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอ ปล่อยวางมันคำถามต่อไปกราบเรียนพระอาจารย์ว่าการที่เรานอนแล้วฝันร้ายควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ทําบุญเยอะๆเพราะว่าฝันร้ายนี่เป็นเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปถ้าเราทําบุญเยอะๆต่อไปแล้วก็จะฝันดีแล้วก็อย่าไปทําบาฝันร้ายเกิดจากการทําบาฝันดีเกิดจากการทําบุญ ถามต่อไปจากคุณวิรัตกกาบนมัสการครับการสวดมนต์ถือว่าเป็นการทำสมาธิหรือเปล่าครับเป็นการยลลานสติเปการยลลาสติเ ป, เป็นการฝึกสติเพื่อให้ง่ายสมาธิสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเนียวจิตก็จะเบาก็จะได้ดูลมต่อนะนั่งดูลมต่อ คถามต่อไปจากคุณเบลพานุพงศ์สุดใจคะ่ะฟังธรรมมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นออกจากสมาธิแล้วมันจำมาถามตัวเองว่าตรงไหนเป็นเราแล้วมันเริ่มมองร่างกายตัวเองรายละเอียดมากขึ้นมันมองไปถึงเส้นขนหนังอะไรต่างๆแล้วมันเถียงในใจตอบว่าไม่มีตรงไหนเป็นเราอันนี้เป็น ปัญญาจากการฟังหรือปัญญาภายในจากการปฏิบัติครับก็เกิดจากการที่เราพิจารณาเลยนั่เยอะยังเป็นคำปัญญาขั้นที่สองเรียกจินตามัยปัญญาปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดของเรา้วให้เป็นปัญญาขั้นที่สาคือภาวนาไมยปัญญาเรต้องไปฝึกสมาธิให้จิตมีอุเบกขาแล้วก็มาปล่อยวางร่างกายต่อไป อันนี้ร่างกายยังปล่อยไม่ได้นะถึงว่ารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะยังกลัวตายอยู่กลัวมันคิดว่าเวลาร่างกายตายเราตายไปกับมันแสดงว่าเรายังหลงอยู่เราต้องพิจารณาเห็นว่าเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องไม่กลัวตายถึงจะถือว่าเรามีปัญญาจริงถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยังหมายถึงยังไ ม, ไม่มีปัญญาจริง ถามต่อไปจากคุณก๋วยเตี๋ยวเรือกราบนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือนักอธิษกพลักแล้วเกิดการเห็นร่างกายเป็นโพรงค่ะเหมือนตรงหน้าอกยุบเข้ายุบออกตามอาการของการหายใจค่ะร่างกายเหมือนเป็นถ้าค่ะแบบนี้คืออะไรคะพระอาจารย์ก็คือเราไปมองมันอย่างนั้นมันก็เพิ่เป็นกามองอย่างมันอย่างนั้นเนี่ยแล้วคืออะไร ที่เราจะไปมองมองมันยังไงก็ได้สิ่งที่เราควรจะมองก็มองให้เป็นเห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้คำถามถาต่อคาถามต่อไปจากคุณกัลยาณีเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์รบกวนช่วยแนะนำเรื่องการมีอุเบกขาจากสมาธิค่ะ อ๋าไม่ต้องมันไม่ต้องแนะนํารอกให้มันได้สมาธิแล้วอุเบกขามันก็ตามมาเองเนี่ยฝึกสติให้ ม, มากๆก็แล้วกันเนี่ยฝึกสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแลว้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะได้สงบแล้วก็จะได้ได้อุเบกขาตามมาคุณถานตอบไปจากคุณพาวินีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ทำอย่างไรถึงจะทําให้หลับได้ง่ายขึ้นปล่อยวางความคิดได้มากขึ้นเจ้าคะก็เวลาจะนอนก็ต้องพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หลับได้คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณก็อยากไปอยากหลับ<ะ>ถ้ายิ่งอยากหลั บ, ลบมันยิ่งไม่หลับพุโทโธไปแล้วบอกว่าหลับก็ได้ไม่หลับก็ดีคุณ เราจะพูดโทรของเราไปเรื่อยๆอยหลับก็ดีไม่หลับก็ดีอยากไปอยากให้มันหลับพอยิพออยากให้มันหลับแล้วมันยิ่งยัไม่หลับอย่างนถามต่อไปจากคุณแจ๊บค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงลมแอร์เสียงนาฬิกาเดิน จะมีวิธีดึงใจไปที่พุโทโธอย่างไรหรือควรปิดแอร์และนำนาฬิกาไปไว้ที่อื่นแล้วค่อยนั่งบริกรรมพุโทโธดีคะขอบพระคุณคะ่ะถ้ามันเราถ้าเราปล่อยวางมันไม่ได้ก็ปิดมันไปก่อนถ้าเราปล่อยวางได้ก็ปล่อยมันไปแล้วถ้าเราไม่ไปสนใจมันได้ก็ไม่ต้องไปทำเลยแต่ถ้าเรายังไปสนใจมันอยู่แล้วราคาญกับมันก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติพอไม่มีสมาธิพอ เมือนก็จะมาลบกวนใจเราเวลาที่เราจะทำสมาธิเราก็ต้องปิดแอร์ไปก่อนเอานิกาให้ไปอยู่ไกลๆเพื่อเราจะได้ไม่ได้ยินเสียงมันตอนนี้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะนี่ผู้คนใหม่เขาใหม่ ส, สุภัสราเลยนะเด็กกำลังรับเข้ามาครับก็มาแล่ากลังต่อ audio จาสในคอนนเตอร์เดลัสเท็กซส กราบกราบน้อมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะยิ <c oughs> ้วไปนูอะไรเข้าอ่ะบาทนะบัตรมีมีบาทค่ะมีบาทกําลังจะทำแกงฟักทองให้สามีเจ้าค่ะแล้วมันก็ลื่นก็บาดเนื้อเกือบหลุดทั้งดุนใจจะซื้ออะไรอยู่บ้างบางที่ใช้ <c oughs> ใช้ใช้เจ้าค่ะใช้เจ้าค่ะไปไปเพ่งโทษเขาเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรโดนเลยกเลยโดนเลยเลยได้เลยได้บทเรียนเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็นึกถึงพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์สอนว่าเนี่ยไปเพ่งโทษคนอื่นให้นึกถึงตัวเองให้ตัวเราดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไ ด, ได้บอกอจริงด้วยมันไม่มีสติคนยัมีสติอยู่งานะที่เราทำอยู่เจ้าค่ะก็เลยไม่มีสติดต่ว่าก็ ลูกก็เลยแบบก็เลยถือว่าเป็นฝึกเวทนาไปเลยตอนกลางคืนก็ก็ปวดนะเจ้าค่ะแล้วก็ลูกไม่ได้ทานยาพาราก็ก็ดูความเกิดดับของเวทนาเจ้าค่ะออยู่กับมันไปาไม่ทำไมกินยากินยาแล้วมันติเจ้าค่ะก็คือคือแรกสองคืนแรกก็ปวดปวดมากเจ้าค่ะแต่ลูกก็ก็พยายามดูก็ก็เห็นเวทนาแล้วก็เข้าใจการเกิดดับเกิดดับก็ก็อยู่กับไปเจ้าค่ะก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ เดี๋ยวโชดีไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปนั่งให้มันเจ็บฟ <c oughs> <c oughs> ังเจ็บมาแล้วค่ะ้ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วที่ที่ที่ถามพระอาจารย์เจ้าค่ะให้ที่พระอาจารย์แนะนำว่าให้ลงโทษตัวเองถ้า <c oughs> ถ้าปากไวกว่าสติเจ้าค่ะ <c oughs> มันมันไวอีกแล้วเจ้าค่ะลูกก็เลยใช้วิธีการลงโทษโดยการที่ไม่กินแซนแซนวิช แซนด์วิชชีสทูน่าเจ้าค่ะตอนแรกค่ะว่าจะวันเดียวทีนี้คิดไปคิดมาเอาให้มันเข็ดเลยดีกว่าเอาสักอาทิตย์นึงเลยเจ้าค่ะเนี่ยต่อไปมันจะไม่อยากกินละตอนกินก็ได้ไม่กินก็ได้เออตอนตอนนี้ลูกก็เลยอาทิตย์นี้ลูกเลยบอกไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้วไม่ไม่กินต้องฝึกต้องกำหลับตัวเองก็ค่ะต้องไม่ปากปากต้องไม่ไวกว่าสติเจ้าค่ะต้องไม่เพ่งโทษคนอื่นแล้วเจ้าค่ะก็เลยแบบ ทำโทษตัวเองลองโทษตัวเองแบบนี้ถ้ายังอยากกินกาแฟอยู่ก็ลองตัดไปจะพักดูเยค่ะ ก, ก็อยากอยู่แต่ก็โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ ง, งจะได้ชนะใจตัวเองได้มางกแพ้มันเลืย เจ้าค่ะสติยังน้อยเจ้าค่ะพยายามฝึกเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็พยายามสวดสวดมนต์คือคือรูกมีความสับสนนะเจ้าค่ะบางทีคือบางทีแล้วสวดอิติปิโสไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าใจใจไม่ได้คือไม่ได้อยู่กับกายอ่ะเจ้าค่ะเวลาทําทําอะไรแล้วบางทีมันก็มันก็แบบไม่มันมันพลาดหน่อยอะเจ้าค่ะถ้าอยู่กับบทสวดนะเจ้าค่ะตอเวลาทํางานก็ต้อยู่กับงานดีอย่าไปอยู่กับบทสวด ฉันขับรถไปมัวแต่สวนมนต์แล้วขับรถไปเจอไฟแดงก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องอยู่กับงานหลักงานงานเป็นตัวหลักแล้วถ้าใจมันไม่ยามอยู่กับงานมันไปคิดเรื่องนูเง้เรื่องนี้ก็ใช้ส่วนมนต์กลับเข<ม>้ามาเีการลาที่งานที่เรากําลังทําอยู่อ๋อค่ะอะอค่ะอยู่กับบทสวดอิติปิโสแล้วมีความสุขอ่ะเจ้าค่ะเราจะรู้สึกว่าเราเร า, เราจะตามตอนที่เราไม่ได้ทํางานี่ย ส่วนตอนที่เราไม่ทำงานตอนที่เราทํางานนี่ต้องอยู่กับางานที่เราทําเป็นหลักเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนีนเดี๋ยวมีดบาดมือนเนี่ยเจ้าค่ะทํามูข้าวทำหมูแต่ไปคิดถึงแฟนไปโกรธแฟนเข้ามาเลยเจ้าค่ ะ, คะไปไปเพลงโทษเขาพอพอคิดได้อุ้ ย, ยเราไปเพลงโทษเขาก็สวดมนต์พอสวดมนต์ก็ไปเพลงโทษเขาอีกก็เลยสลับไปสลับมาก็ฉุบเนื้อตัวเองนน่ นี่แหละลักษณะของการไม่มีสติไม่อยู่ในปัจจุบันจิตไปคิดถึงอดีตอนาคตคิดถึงคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ เ, เจ้าค่ะได้ได้บทเรียนอะไรเจ้าค่ะลูกก็เลยเห็นความสําคัญของสติเลยเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยแบบพอนั้นก็รีบดึงมาพอไปก็รีบดึงมาให้ดึงมาไวๆเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ <c oughs> ก็จะได้แบบลูกถือว่าเป็นบททดสอบทุกอย่างเลยเจ้าค่ะแบบดีค่ะเจ้าค่ะ ทำให้ได้เรามีสติมากขึ้นเห็นโทษที่เกิดเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเราเลยเราปฏิบัติธรรมได้ทั้งทั้งวันเลยมีสติอยู่กับงานที่เราทเนี่เธอเราปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะเ<ำ>จ้าค่ ะ, <Okay. S 1> คะแต่ก็ควรจะหาเวลานั่งสมาธิบ้างเพื่อพักผ่อนจิตใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็ เจ้าค่ะลูกลูกจะว่างจากงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ประมาณสักสามสี่โมงสา<ม>ลูกจะพยายามอยู่กับนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อะไรเงี้ยสี่โมงสังเทศจนถึงประมาณเกือบทุ่มไหมคะเจ้าค่ะดีดเรามีบุญนะไม่ต้องมีเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมได้ถึงว่ามีบุญ เขาเขาเขาเขาสนับสนุนนะเจ้าค่ะต้องต้องแบบว่าเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาเพราะว่าเขาเขาบอกยังไงก็ไม่อยากให้ไปหางานทําเขาบอกให้อยู่ที่นี่แล้วก็ฝึกไปเจ้าค่ะอเนีเป็นแม่บ้านดีเป็นแม่บ้านเจ้าค่ะทจะเลยบอกเพราะว่าโดนทอาหารอร่อยอร่อยให้ก็กินก็แล้วกัน เจ้าค่ะขนาดแค่ทําอาหารให้อร่อยก็ยังก็ยังไปไปโกรธเขาเจ้าค่าว่าทาไมเราต้องมานั่งทําอาหารอยู่เนี่ยทําเพื่อเราไปด้วยไงทําเพื่อเขาไปเราก็ต้องกินอยู่แล้วแล้วก็ทําของเราแล้วก็ทําเผื่อก็เป็นเลยเหมือนใส่บาตรเพื่อทำบุญใส่บาตรไปก็แล้วไปเจหาค่ะตายเยอะเยอะเหมือนกับทำบใส่บาตพผไปเจ้าค่ะ อัตราเยอะจังเลยเจ้าค่ะเป็นช่วงด้จจังเลยพยายามฝึกเมตตาจะทำตัวให้เป็นเจ้ายินดีรับใช้ทุกท่านเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องรับค่ะเจ้าค่ะตาตาโตตลงอัตรานี่มันทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ ใช่ใช่เจ้าค่ะบางทีโกรธเขาก็จะบอกเนี่ยเรียนจบมาขนาดนี้แล้วต้องมานั่งทำแต่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วพอมันนึกได้พอสติกลับมาก็เออจริ ง, รงๆแล้วเขาให้โอกาสเราได้ขัดเกลตัวเองให้ฝึกฝนตัวเองซะอีกเรากลับไม่เห็นบุญคุณเขา mm hmm. mm hmm. <laughs> โอ้ยลูกแก่ลูกแกแ่จะฝึกไป mm hmm. เจ้าค่ะจะพยายามฝ mm hmm. ึกเรื่อยๆเจ้าค่ะ <laughs> จบอะไรมาเลยจบอะไรมา ออจบการศึกษาพิเศษที่อเมริกาแล้ะค่ะจบปริญญาเอกเจ้าค oh. ่ะที่ไหนเจ้าค่ะที่ออ University of Northern Colorado เจ้าค่ะอ o r t h e r n c o l o ี่เนอะค่ะแต่ย้ายมาเท็กซัสเพราะเขามาทำงานที่เท็กซัสเจ้าค่ะอค่ะก็ตั้งแต่จบมาเขาก็พอพอมาศึกษาทางนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปทำงานเขาบอกให้ให้ศึกษาไป คุณพ่อก็คุณพ่อก็อยากให้กลับไปทํางานเจ้าค่ะไปทําที่มหาวิทยาลัยแต่แต่เขาบอกว่าไม่ต้องฟังพ่อทางนี้สําคัญกว่า<ม>เขาเลี้ยงดูเองเจ้าค่ะขเขาบอกเขจะเลี้ยงดู <laughs> ดีใช่ไหดีมีคนเลี้ยงดูนะแล้ว เ, เราต้องใช้บุญคุณเขาต้องรับใช้เขาเลยใช่ค่ะต้องเป็นแจว๋วใช่ต้องเป็นจเจ๋วต้องพยายามที่จะแจ๋วจะรับใช้เขาเจ้าค่ะเขบอกแล้วค่ะแล้วค่ะเร็วจ้นเะร็วเร็ว เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่มีใครอีกไห ม, มยม่างเมถามจับมีคำถามจาก Facebook เจ้าค่ ะ, ะว่ามาอ่กราบเรียนถามพระอาจารย์จิตตกกังวลควรทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์พยายามท่องพุทโธแต่ก็ไม่ได้ผลแต่กลับเป็นทุกข์แต่ก็เห็นความทุกข์นั้นจนหลับไป พอตื่นมาค่อยมารู้อีกทีว่ามันหายไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์ก็มันหายไปก็ถูกต้องเพียงแต่มันมันหายแบบไหนนั่นเองมันควรจะหายตั้งแต่ตอนที่เราพูดโทแล้วอย่าพูดอย่าอย่าไปอยู่ทุดโทสเลยไมันยังไม่หายก็อย่าเพิ่งมาหยุดพูดโทดถ้าได้ว่ากินยายังไม่พอก็ต้องกินต่อไปเรื่ อ, อยจนกว่าโรคจะหายแล้วพอหยุดยาไม่ใช่กินยาเม่ดสองเม็ดแล้วไม่หายก็หยุดกิน ก็ไม่หายมันมันหายที่มันหายไปเพราะมันหมดแรงมันก็เลยหายไปแต่หายแบบนั้นมันก็ไม่ดีมันต้องหายแบบใช้พุทโธพุทโธไปถ้ามันยังไม่หายก็พุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหายคำถามต่อไปจากคุณประวิทย์กราบนมัสการจากดาลลัสเท็กซัส จิตเมื่อทำงานดีแต่ขอถามเจ้าจิตนี้เวลาออกมาเล่นกีฬาเขาสามารถออกมาเล่นกับเราด้วยได้ไหมครับบางครั้งตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำได้อย่างไรครับเรอาอกับจิตมันก็ตัวเดียวกันนะมันเล่นกับเราได้ไงมันก็เล่นมันก็เรากับมันก็เป็นตัวเดียวกันคถามต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า การที่คนอื่นมาทําลายจิตใจเราทำรํำลายร่างกายเราเราทําไมเราถึงต้องทุกข์เจ้าคะควรทําอย่างไรดีคะพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าคะ่ะอ๋อเพราะเราไม่อยากให้เขามาทําเราความไม่อยากให้เขาทำทำนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เรียกวิปวะตัณหาความอยากไม่ให้เขามาทําให้เราอทุกข์เราก็เลยทุกข์ถ้าเรา ไม่มีความอยากอันนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กเพราะอยากจะทำร้ายเราก็ปล่อยเขาทำร้ายไปก็อยากจะดา่าเราก็ปล่อยเข า, าดา่าไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมให้เขาทาถ้าเราไม่ยอมให้เขาทำเราก็จะทุกข์เพราะยังไงเขาก็จะถ้าเขาจะทําเขาก็ทำอยู่ดีแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เราเป็นอนัตตามองว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปห้ามบังคับเขาไม่ได้เพรอยากจะทําร้ายเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราไม่ต้องไปทุกข์เรายอมให้เขาทาร้ายคือถ้าเราหลบไม่ได้หนีไม่ได้เขามาทําร้ายเราเราที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้ก็ปล่อยให้เขาทาไปนั่นอย่าไปทุกข์กับมันถ้ายอมแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมแล้วมันจะทุกข์ท่าถามหมดแล้วเจ้าค่ะเออหมดแล้วมีใครถามอีกไหม กุณชีฟครับคุณชีฟคุณชีฟครับอาจารย์ค่ะขอเกี่ับนมัส ก, การถาม อ, อีกอีกครั้งนะคะ <ใน S 1> คือเ ว, วลาที่เรามีกิเลสนี่คือกิเลสมันเกิดขึ้นเองจากจิตเราที่เราคิดหรือว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะแบบว่าอยากกินนู่นอยากกินนี่นี่มันคือร่างจิตคุ้นชินเหรอคะคือมันเป็นนิสัย ข, ของมันถึงเวลามันก็อยากอยากขึ้นมา มันไม่มีไม่มีผลหรอกมก็คือนี้มันเกิดนักจิตที่เราสะสมไว้เป็นสัญญาเหรอคะหรือว่ามันเป็นสัญดานไม่ใช่เป็นสัญญาสัญญานัญญาผิดใจไหมการพูดโดนใจจะเป็นสัญญาจริงๆด้วยครับสัญดาช่วเลือกันยมยมติดกินชานมไข่มุกแล้วก็พยายามเลิกแล้วค่ะตอนนี้ก็พยายามตั้งหวัง คุณสุภัฒนาที่แบบว่าทำโทษตัวเองโยมก็แบบโอเคเราจะทำโทษตัวเองบ้างแล้วเราจะไม่กินชานมไข่มกุก<อ>ให้มันเยอะเกินไปน้าตาลก็เยอะราคาก็แพง้ อ, อ, องดัดนิสัยตัวเองต้องดันดนิสัยค่ะสันดนั ด, ส, ด, ดสันดานไม่น่าจะดัดจิตแล้วดัดสันดานอ่ะน<อ>ี<ๆ>่ <laughs> แล้วมีอีกคําถามค่ะว่าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะคะพระอาจารย์เราควรจะคิดอะไรคะหรือว่าแค่บริกรรมพุโทโธไปแต่ว่าเราแค่ให้<ม>ให้ร่างกายเดินไปแต่เราคิดแค่พุโทโธพุโทโธเหรอเจ้าคะแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการจิต ก, ก็อย่าไปคิดอะไรถ้าเราต้องการปัญญาก็ต้องคิดว่าร่างกายที่กําลังเดินอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายเดินไปเดินมาเราเป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้ ค่ะงกายนอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายค่ะก็คือเวลาเดินเราก็ทําได้สองแบบคือจะภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆหรือว่าจะบริกรรมดูกันทํางานของร่างกายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเออน่าหรือว่าจะพิจารณานะว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นดินน้ําลงไปเดี๋ยวจะต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เป็นปัญญา ก็คือเหมือนกับถ้าตอนนี้โยมเห็นว่าอ่านร่างกายอยู่ดีอ้ากระพริบตาเองขยับนิ้วเองอันนี้มันก็คือไม่ใช่จิตละมันไม่ใช่ร่างกายของเราแบบนี้มันไม่ใช่เราเราเราเป็นคนสั่งมันกระพริบเองเราไอ่ที่ที่เราไม่ได้สั่งคือเวลามันปวดท้องเนี่ยเราไม่ได้ไปสั่งมันปวดท้องอ๋ออ๋อค่ะอะไรที่เราไม่ได้สั่งนะเช่นแบบนี้เราเอาห้ามไม่ได้ก็คือก็พิจารณาไปมันเกิดห้ามไม่ได้ก็แปลว่า แต่แล้วร่างกายไม่ใช่ของเราเราเราสั่งได้บางอย่างสั่งสั่งให้มันกระพริบตาได้สั่งให้มันหันหน้าไปทางซ้ายไปทางขวาได้ค่ะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ผมไม่งอกไม่ได้สั่งให้ถังไม่เหียวไม่ได้สาวช้าเวล า, ราเราผมงอกแล้วเรายังต้องเกิดความรู้สึกว่าเราอยากถอนผมงอกอยู่นี้คือเรายังติดตัวตอนอยู่ไหมคะ เ็ยังติดอยู่อย่างเงี้ยต้องติดอย่าให้ตัวตนของเราเนี่สวยงาม <c oughs> อยากให้สาวไม่สระสวยไม่สางบานไม่รู้เลยอ๋อเน้นปล่อยให้ขาวทั้งหัวเลยจะดีก็คือปล่อยไปปล่อยไปตามธรรมชาติและเมื่อไม่ใช่ตัวเราไปไ ป, ไปเสียเวลา <c oughs> กับการไปเสริมความงามกับมันทําไมใช่ค่ะค่ะเราดูจิตใจเรามาเสมความงามทางจิตใจด้วยเมตตากรุณามุญิีดาวเบญขาดีกว่า อช่เจ้าค่ะก็คือเวลาถ้าตอนนี้เวลาว่างโยมก็จะฟังพระอาจารย์โยมก็จะฟังทำมาฟังนู่นจนลูกบอกว่าแม่ตอนนี้แม่ไม่ดูละครอะไรแล้วหรอแม่ดูแต่พระอย่างเดียวเลยอือ่าดูแล้วมันเย็นใจสบายใจดูละครแล้วเขียนก็กลายเปนว่าตอนนี้โยมมีความรู้สึกว่าเออเราไปสมัครสมาชิกเอ่าอินเทอร์เน็ตที่ดูละครลนยตอนแรกดูเป็นรายเดือนนี่ดูบ่อยเลยนะเจ้าค่ะจ่ายเป็นแบบเดือนดูบ่อยมาก พอตอนหลังเออวันเมื่อเดือนที่แล้วเออลองส่ายเป็นลายปีดีกว่าเพราะกลายเป็นว่าส่ายรายปีที่เยอะกว่าเดิมกลับไม่ได้ดูเลยเจ้าค่ะเพราะว่าก็เลยแบบเออเนอื้อดูซีแบบมันไม่เที่ยงจริงๆแมาว่าเราจะคิดอะไรเราก็เออมันทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนิ้อลูกลูกซื้อดูแบบนี้ก็ไม่ได้ดูตั้งใจจะดูก็ไม่ได้ดูนั่นอย่าไปยึดจมิดอะไรมากมันแปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ ค่ะเจ้าค่ะจะถามแค่นี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ okay. สาธุจ่าสาธุค่ะมทนาสาธุค่ะมีการถามหไหมคุณวิชญ์นมีคำถามทาง Facebook ็เดี๋ยวกุณกเกศลนินครับพูดได้เลยครับคุณกเกศลนินค่ะการรัการพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะโ <laughs> ยมมีคำถามว่าโยมวางตัวถูกหรือเปล่าเพราะว่ามีพี่น้อง โยมอะที่ว่าโยมได้ช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยของเขาแล้วก็จากที่เขาไม่มีที่อยู่โยมก็ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านให้เขาอยู่แล้วก็แต่ว่าเหมือนก็คล้ายๆที่ว่าเขาไม่รู้จักพรนะเจ้าค่ะแล้วโยมจะต้องวางตัวแบบไหนเจ้าค่ะก็ให้สิ่งที่จําเป็นอย่เท่าเท่าที่เราจะให้ได้ถ้าถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่จาเป็นก็ให้เขาหาเอง คือว่าคือว่าเมาื่อสองวันก่อนเขาเคยพูดกับพี่สาวอีคนที่เคยอุปการะอุปการะโยมนะจ๊ะค่ะว่า mm hmm. เขาอยากได้ข้าวประมาณอย่างนี้ยแต่ว่าการใช้ใจ่ายเรื่องปัจจัยของเขาเนี่ยไป ท, ทางลูกของเขาเนี่ยพุ่มเฟือยมากแทนที่ว่าเงินตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมาซื้อข้าวสารหรือว่ากับข้าวในภายในครอบครัวได้แต่ทำไมเขาถึงว่ามาอ้างว่าเรานะ่ะมีเงิน เราต้องช่วยเขาได้โยมโยมก็เลยฉเฉยอ่ก็ถ้าเราเห็นว่าเขาเขาช่วยตัวเขาเองได้แต่เขาไม่อยากเขาอยากจะเอาเงินเขาเองมาเพื่อไม่ต้องไปให้แล้วก็ยังช่วยตัวเองได้แต่เขาช่วยตัวเอง <c oughs> ไม่รัดจริงไม่มีเงินซื้อข้าวจริงจริงก็ต้องซื้อข้าวเขาเองเจ้าค่ะโ <c oughs> ยมก็เลยให้พี่สาวอีกคนให้ปัจจัยพี่สาวอีกคนลงไปแล้วก็เขาก็เลยซื้อข้าวแล้วก็เผื่อพี่สาวอีกคนหนึ่ง เจ้า <One> ม <input> ีค <está ça? S 2> ิวทำบุไปแล้วกันถ้าทําได้ก็ทําไปแต่ก็ต้องระวังเป็นสื่อเสริมให้เขาเสียดีใส่เจ้าค่ะก็คือเขาให้ลูกเขาใช้เงินเกินตัวเจ้าค่ะแล้วก็คือว่าเขาก็จะมาอ้างที่ว่าเขาไม่มีแต่ว่าลูกเขาใช้เงินเหมือนเหมือนอย่างราชาเนาะเจ้าค่ะซึ่งซึ่งว่าถ้าคนไม่มีก็ต้องรู้จักต้องประหยัดบ้างสินะบอกว่า คนไหนเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะหาเงินมาง่ายๆพอหาเงนมาได้เขาต้องจิกไใช่ของเขาเองมากจะหาเงินีพ่อให้คุณใช้คนเดียวตเขาพอดีว่าเขาพูดใส่ใส่โทรศัพท์มาโยมก็เลยเฉยเพราะว่าโยมคิดว่าเขาเป็นพี่สาวเพราะว่าถ้าเผื่อโยมพูดอะไรตอบโต้กลับไปเดี๋ยวมันจะเป็นในทางสิ่งไม่ดีแล้วก็จะเป็นบาปของโยมด้วยเจ้าค่ะอดีแล้วล่ะอย่าไปพูดอะไรดีที่สุด อยากจะได้ให้เขาได้ก็ให้ไปให้ไม่ได้ก็เฉยไปเจ้าค่ะแต่แต่พวกเขาไม่รู้จักประมาณตัวนะเจ้าค่ะโยมก็เลยเลยต้องวางวางอุเบกขาเงี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าเขามีที่อยู่ที่อาศัยมีมีบ้านอยู่คือว่าไม่ต้องไปเช่าที่อยู่แล้วก็ถือว่าเขาน่าสามารถน่าจะช่วยเหลือตัวเองกันได้เจ้าค่ะได้กดีนี่หมายถึงที่ที่เมืองไทยแล้วอยู่ที่อะไรกันที่เมืองไทยเจ้าค่ะใจ่เนอะ ก็มีมีอยู่แค่ครอบครัวเดียวที่ว่าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยนะเจ้าค่ะโยมก็เลยซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านให้เขาอยู่นะเจ้าค่ะก็ดีแล้วเนี่ดีแสนดีขนาดนี้จะ อ, อะไรอีกใช่ไหมเจ้าค่ะแต่แต่เขาก็คือว่าอะไรก็คือว่าจะอ้างว่าโยมมีตังค์โยมมีตังค์แต่ว่าทําไมไม่คิดที่ว่าจะช่วยเหลือตัวเองโยมก็ตรงนี้โยมไม่เข้าใจนะเจ้าค่ะก็คนขี้เกียจก็อย่างเนี้เจ <laughs> ้าค่ะ เห็นแก่ตัวแต่เขาหาไรายได้ได้เยอะนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่พอกินพอใช้โยมก็เลยยังแปลกใจตรงนี้นะเจ้าค่ะ อ, อ่ก็ตอนคนไทยเขาเรียนรู้ความจริงว่าที่ว่าการที่จะอยู่ได้ก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักประหยัดเจ้าค่ะโยมก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาว่าคนไหนถ้าช่วยแล้วเขาไม่เกิดเราต้องหยุดแล้วเดินหันหนัง ออ่ช่วยให้เขาเจริญขึ้นอย่าไปช่วยให้เขาให้เขาเร็วลงอย่ลงอย่างนี้อยู่วางตัวถูกใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าเขาเกิดมาเป็นดีก็ควรก็ควรจะช่วยเขานะแล้วาเงินเขาไม่มีจริงๆแล้วกําลังอดข้าวจริงๆก็ช่วยเขาไปเจ้าค่ะแต่ว่าเขาใช้เงินแล้วเชื่อถือว่าช่างมันไม่ใช่เรื่องของเเจ้าค่ะ ถ้าช่วยได้ช่วยมเดิมกช่วยไม่ไดก็วางโอเบก้าจจกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่มีใครไหมมีทาง facebook นะฮะมีคําถามจากเฟซบุ o กสองคาถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณโบสต ร, ราบนาวาสการหลวงพ่อครับขออนุญาตสอบถามว่าการเพียง การฝึกผู้รู้จะสามารถทำให้เราค้นพบจริตตนค้นพบแนวทางการดาเนินที่ยังประกอบกิจอยู่ทางโลกเช่นการศึกษาการเลือกสายอาชีพได้อย่างไรบ้างครับอ๋อไม่ดูเหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนีเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่เพื่อประสคงเสริมกิเลสเป็นการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อสร้างความสุขให้ในให้กับใจใจจะได้ไม่ต้องไปหาอะไรภายนอก เมื่อมีความสุขแล้วไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทอง ม, มาให้เสียเวลาฉะนั้นสิ่งที่คุณถามรู้สึกว่ามันจะเราคงจะตอบไม่ได้คถต่อไปกาบเลนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเรากินข้าวหรือทาอะไรอยู่ดีๆจิตก็เห็นล่างกินข้าวเหมือนจิตแยกออกมาจะเห็นเป็นบางครั้งอันนี้คืออะไรคะพระอาจารย์ มันไม่คืออะไรมันก็คืออย่างนั้นเลยจะว่าคืออะไรคําถามอะไรเราค่ะไม่ไปสนใจว่ามันคืออะไรก็สนให้รู้ว่ามันเป็นอะไรก็พอรู้แล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปรู้ว่ามันเป็นอนิจจามันหายไปแล้วอนัตตาเราไปสั่งมันให้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สั่งให้มันหายไปไม่ได้มันอยากจะโผล่มันก็โผล่ขึ้นมามันอยากจะหายมันก็หายไป Okay, โอเคนะ้หมดแล้วใช่ไหมจะได้ปิดประชมุมทันที่ไม่มีใครยกมือแล้วฮะโอเคครับเอขอปิดประชมุมนะไ ว, ไว้ไว้อธินฐานค่อยเจอกันใหม่ขออยท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองที่จะตามมาต่อไปเถิน